ขอเล่าสัน้นๆใช้ประสบการณ์แล้วกันนะครับจริงๆพี่ก็อายุไม่น้อยแล้วอย่างเงี้อายุ57แล 5, 7, 7, ้ว57ปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ปฏิบัติด้ยด้ว ย, ว ย, วยตัวเองเริ่มตั้งแต่สมัยท่านพุทธทาสยังยังอยู่นะครับไปเข้าค อ, อาาร์สอานาพาณสติที่สุโขโมกนะครับแล้วก็ไปไปมาอยู่หลายครั้ แต่ว่ามันก็ปฏิบัติยากเพราะว่าสุโมก็ไม่ได้มีการสอนอย่างี่ที่มวลฤมีการสอนอารมณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเลยแต่ใ น, นก็ไม่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติสักเท่าไหร่แล้วก็มาเจ อ, อพระอาจารย์สุมโนมพิครณนะครับท่านมาสายหลวงปู่ชานะครับก็ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์รับใชใ้ท่านอยู่7จ็ปดีนะครับท่านก็ใยญ่ก็ ให้บวชก็เลยเพื่อที่ อ, อยากจะบวชทนแทนคุณของพระอาจารย์แล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ดูินได้ศึกษาทํามะด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยเตัดสินใจว่าจะบวชก็ท่านก็ปาดฟังให้ไปดูสายวัดป่าหนองป่าคงศ์ที่ท่านเคยบวชก็มีพระอาจารย วัด ป, ปา่าทันทิธรรมเป็นเจ้าวาท่านเขาฝากความให้ดีทังนั้นเนื่องจากว่ามาเข้าคอร์สของพระราชทันททชินเดืนทันวาพอไปอยู่สายองป่าพงหนองป่าพก็ปฏิบัติแบบสัมมัธาก็คือนั่งส ม, มุปเราเองก็ติดใจพราว่าพอปฏิบัติสายของหลวงพ่อทีนี้อาการดิบอนที่มีง่วงหาวานอนเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะก็คิดว่ีลงมาถูกทางแล้วแล้วก็มี การรายงานนบีทีดีอยู่ ส, สหลายท่านเรียนจริงๆนะครับก็หนสองท่านที่ต้องกล่าวถึงคือโยมเตอ๋อนะครับกับโยบล์นี่โยมเตอ๋อกับโยบล เ, เนี่ยปฏิบัติส า, ษ า, ษายหลวงพอ่อเรียนมาแล้วก็มีมีความก้าวหน้าแล้วก็ก่อนก่อนจะโบว์เนี่ยโยบล์ได้ถวายเลทีสี่พร้องกับหนังสือของหลวงพอ่อทีนนะครับอันนั้น ดูพี่ก็จาได้ว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องยันชีต่างดีเลยเพราะว่าทุกวันในทูวัเนี่ยจะใช้มีีเนี่ยฟังตอนเดินปาบารือตอนกวากวารลานวัดหรืออะไรนะครับเป็นเครื่องเครื่องช่วยให้เราเพความเข้าใจหลวงพ่อเพราะว่าตอนเข้าคอสองหลวงพ่อพระอาจารย์คชิตเนี่ยมันแค่ เจ็ดวันเองมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งสักเท่าไหร่ก็ลองปฏิบัติเองปฏิบัติผิดบ้งถูกบ้างแต่ก็ก็ดีนะครับก็ได้เห็นสัมผัสว่าอย่างเช่น เ, เวลาเดินเนี่ย เ, เดินจงกรมที่ชอบที่สุดก็คือเดินบินาบาตตอนเช้านะครับเดินจากวัดไปที่ตลาดก็ระยะทาง2กิโลครึ่งนะครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสได้เดินจงกรมก็จะเห็นอาการาต่างๆ แต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีคนที่จะสอบอารมณ์เราก็อาศัยโทรไปหายมเตอรปรึกษาโยมเถอรว่าเออเ่เกิดละการอย่างนี้จะแก้ยังไงจะทำยังไงนะครับก็ลองลองดูแล้วก็ดีนะครับเพราะว่าไปหมวดเนียก็ได้เห็นนิสัยนาเกลดของตัวเองอยูสอ่สองสามสงสาอย่างด้วยกันแล้วก็หลวงพ่ออะไรที่เป็นเจ้าวาดเนี่ย ก็ใจกว้างมากนะครับท่านก็ก็ถามท่านว่าเอ๊ะเรามาศึกษาทงสายแนวทางาสิ่งีเคลื่อนมือสิอ่สี่ังหวาแล้วเราชอบเราคิดว่ามันมันเป็นทางถูกและมันเป็นทางทางสายตรงก็อยากจะปฏิบัติท่านจะว่าอะไรไหมท่านก็บอกไม่ไม่เลยก็ปฏิบัติไปเลยนะครับก็จะเป็นพระรูปเดียวในวัดที่แต่กประลาดอยู่แล้วก็โยมก็ เลืกแอบเรื่องเหมือนกันแบบแอบเห็นนะครับว่ามีมีพระรูปหนึ่งที่นั่งยงคอยู่นี่นะครับตอนตอนนั่งสมาธิก่อนทาวัดเช้าวัดเย็นนะครับคือที่วัดเนี่ยจะมีญาติโยมมาร่วมทาวัดเช้าวัดเย็นช่วงวันโกนคือก่อนวันพระนะครับกับช่วงวันพระเพราะฉะนั้นทุกทุกเจหรือแวันเนี่ยก็จะมีญาติโยมมานั่งทำวัดอยู่ที่วัดนะครับในช่วงข่าวพิศา ก็เป็นประสบการณ์ที่ทีไปดีนะครับจริงๆแล้วการได้ฟังหลวงพ่อเทีเนี่ยมันมันทำให้เรามีมีก็ใช้เรียกว่ามีมีมานะขึ้นนะครับเดิมเนี่ยเคยมองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องสับซ้อนแต่พอฟังหลวงพ่ อ, พอเียนท่านพูดแล้ว ท่านที่ได้ฟังแล้วนะครับก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้นะครับว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการรู้นะครับรู้ถึงสภาวะรูปรู้ถึงรูปแล้วก็รู้ถึงนาเท่านั้นอเองแต่ก็สีที่จะยากอยู่ก็คือจะต้องมี ก็เล่นว่ามีมีความเพียร น, นะครับในการตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต้องยอมรับว่าตัวเองอยังเพียรไม่พอก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อไหลแล้วว่าออกพรรษาเนี่ยจะข อ, อไปเขาเรียกสิสิเว่ยใช่ไหมครับไปขอปฏิบัติเข้ยมคนก็กำลังดูอยู่ว่าจะไปต่อยอดอกับ หลวงพ่อนิเลกที่เชิงแสนนะครับเดือนพฤษจิกายนแล้วก็กะว่าจะไปอยู่ที่แม่เจ็บอยู่บนดอยเลยอยู่หมู่บ้านกันเล็กๆที่ซัมซังส่งเล็กๆจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเข้ค้คนนะครับก็แชรประสบการณ์เท่านีออ้อยากจะฝากบอกญาติโยมไว้ว่าจริงๆแล้ว ธรรมะที่ดีที่สุดเน อ, อยู่ที่ตัวเราเองก็คือดูตัวเราเองหลวกพี่เนี่ยเคยตอนไปอยู่วัดเนี่ยมูนในสมถติดอกนอกนะไปดูสอบตรวจไปตัดสินไปตัดสินเรื่องโน้นเรื่องนีนงน้ไปเปลี่ยนเพี้ยนตัวเองกับคนโน้นคนนี้นอาจจะด้วยตัดตาตัวเองนะครับแต่ก็ได้ ความเข้าใจกระต่างขึ้นจากหลวงพ่อดีเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาการจากหนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความกลัวภัยอย่างหนึ่งที่ที่มันเข้ามาใกล้ตัวเราก็เลยอยากจะฝากบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าแวบเผลอแวบจิตเนี่ยไปทุ้งถึงเรื่องข้างนอกเนี่ยให้เตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าส่งจินออบนอก ให้กลับเข้ามามองดูที่ฐานกายของเราดูที่ฐานกายแล้วก็ถ้ามีความคิดแวบขึ้นมาก็ดูไปดูที่จิตดูที่ความคิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานกายอยู่นะครับให้มั น, นแน่นแน่นอยู่เบบนั้นนะครับก็ก็ฝากญาติโยมไว้แล้วก็ขออนุมโมทนาด้วยที่ได้มีโอกาสหลวงพี่คิดว่าเป็นเป็นโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม แล้วก็ได้ฟังแนวทางที่ได้รับการฝึกแล้วก็ได้รับการเรียกอะไรปฏบัติมายาวนานอย่าง่าหลวงพ่อดีเล่นนะครับก็เชื่อได้ว่าท่านคงได้ได้ไ ด, ได้แชร์ประชบการ์าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับยังไงก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจง บรรลุธรรมโดยเดียวกลันนะครับอันนี้มทนาุนะในระสบการของพระอาจารย์ซึ่งเราก็วังว่าจะได้เป็นเรียกว่าเป็นสายธรรมในสายงานนี้ต่อไปเดีนี้ท่านก็มีเวลาที่จะสวยมหาซึ่งได้บอกว่าท่านาจจะเปลี่ยนแปลงมาบอกว่าอยู่ที่กบฏอดไรใจตัว ในสวรรค์หาวไปนะเร่ยก็ชวิตนี้มีค่าสูงสุดนะแล้ก็เลยจว่าได้เข้ามาเป็นเป็นพระชิดอยู่กล้ได้บวชซึ่งที่พระถามพระสารีบุตรว่านะเป็นเกิดเป็นมนุษย่อะไรดีที่สุดบอกว่ า, ามีศรัทธาเป็นมีศรัทธาทดาธาีที่สุดเมื่อมีศรัทธาแล้วอะไรดีที่สุดแล้วก็มี สมาธิมื่อมีสมาธิแล้วนี่อะไรดีที่สุดอราได้พแกรยานมิตรเราได้พบกรยานมิตดแล้วมีอะไรที่ดีกว่านั้นอีกก็ได้ฟังธรรมของท่านเราได้ฟังธรรมของท่านแล้วอะไรที่ดีกว่านั้นเพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามคําที่ท่านบอกเมื่อปฏิบัติตามคําี่าบอกแล้ดีกว่านั้นก็ได้ปฏิบัติทาสมควรแก่ธราเมื่อปฏิบัติทําสมควรแก่ทํามแล้วดีกว่านั้นอีก เราได้เข้าถึงทองและดับทุกอลาอสวราได้ใช่ในสมัยนั้นนี่เขาจะไล่ตามดับผลประโยชน์ที่ได้ตามดับนเหมีชัดแล้วก็จะลงมือมีพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็ได้ตามที่ตามหาใครมิคิดดจะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเขาถึงทรามในที่สุดซึ่งจะเป็นช่วงไหนเวลาใดนี่อยู่กับวาสนาบารมีการรถไป โบราณวาพระาารย์ะไที่ปฏิบัติแล้วขาดคองสักีม 5, 6, เมื่อไรก็พ้องทิศาหาเปรียันสู่การแก้ไขปัญหาได้ยงกัดต่อไปนะขอนนอนุญาตอนั้นนะับต่อไปก็ได้ยที่ได้ปฏิบัติมาห้าหกวันเจ็นเนี่ยก็มีอ่าปปัญหาอะไรและแก้ขไกขยยไอย่างไรจลแก้ไขแล้วได้ผลยังไงเราก็จะมาเล่าสป็ันตอน ท่านี้เพื่อมีประโยชน์สด้านด้านที่หนึ่งมาก็ได้ตรวจสอบประสบาสการณ์ถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกคแก้ไขอย่างไรเพื่อจะนําปฏิบัติ ต, ต่อไปประโยช น, น์อันที่2ก็คือญาติที่ทบางท่านเที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนเมื่อได้ฟังประสบการณ์ที่กต้องแล้วเข้าใจชัดเจนมากขึ้นจะนำไปปฏิบัติ ต, ต่อไปได้นี่คือประโยชน์ที่เฉพาะหน้า อย่างนั้นบนต้นเริ่มที่โยนปอกมัทคนแรกเนาะโยนลาเนีรับพัดรับพันรัพนธเนาะปีกเขาเพื่อให้โยนซึ่งเป็นแม่บ้านของพีเชียนพีเชียนมาแต่ครั้งก็ชวมแม่บ้านมาได้สนเด็ดช่วยก็มใจขอบฟจในฐานะเขาด้วกันก็ขอให้อยู่ได้ดีใจ กราบมัสการอาจารย์โยมจิจโยงจัอะไรไม่ค่อยได้เยอะเพียงแต่ว่าโยมอาจจะคิดว่าเป็นช่วงดีส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติสมถะมาพควรความใกล้ๆนี้เหม่อนจะไกลหรือโยมคิดว่าโยมได้กนะโยมปฏิบัติ สมถะมาโยสมถะที่ประโยชน์เหมือนกันตรงที่ว่าเรารู้สภาวะได้เร็วพรอาจารย์ยังได้เตือนว่าโยทิ้งเกิดไปตรงนี้ก็จะมช่วงมีอาจารย์ใกล้ตัวก็แอบถามคุณพี่เชียนด้วยว่าเอ๊ะถ้าไมาให้ดูสภาวะเนี่ยจะไปดูอะไรเพราะว่ามันเหมือนเพราะว่ามันก็เหมือนปกติทั่วไปเมืเอไคุณเขียนเขาก็พูดคำหนึ่งบอกว่าให้ กายตรงๆแตะตัวแท่นกลางตรงๆกฐานโครงฐานกายเป็นกายทั้งตัวเนี่ยต่อมาเนี่ยก็เลยได้คิดว่าเออมันก็มันก็เข้าใจง่ายดีก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เพิจริงๆแล้วเพิมทําำได้พอดีพาสมควรเมื่อวานี้ก่อนหน้านี้ก็สามวันได้ง่วงตลอดก็จับหลักได้ว่าหลวงพอพูดหลายครั้งว่าทำใจให้สบายมันก็จะ ก่อนนั đ úng, đ úng ่งเนี à ่ยจะดูดดูที่ให้สบายใจก่อนนั่งแล้วก็พอสบายใจแต่ไม่ไม่ไม่ไม่ดูแบบละเอียดนะคะคือแค่ดูว่ามันสบายใจโปร่งเบาก็เริ่มทพอเริ่มทำเอาตั้งใจรู้สึกที่ร่างกันแล้วเพื่อนไปล้วก็หาจังหวะพี่เราจับได้ก็คือว่า มันจะง่ายก็คือมันจะรู้สึกโปร ổ, ง่งล่งเบารู้สึกว่าร่างกายมีความเคลื่อนไหวภายในตลอดเวลาเหมือนกับถ้าเป็นธรรมชาติเรียกว่าเหมือนกับเป็ดคลองยุบอะไรประมาณนี่ยมันเคลื่อนตลอดรู้รู้ว่าเรากรคพริบารู้ว่าเราไมได้ยินอะไรก็รู้ชัดแจ้งแล้วก็ รู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไหวมันสมูทมากรู้สึกไปเรื่อยๆนี่ยอมคิดว่าเออมันอย่างอื่ไม่มีการด้ยกับว่าสอรู้ชัดแจ้งแล้วก็ตัวเบาแต่มือก็มือก็เบาแต่ว่ารู้ชัดเจนที่กายมากกว่าคือแบบความรู้สึกมาที่กายมากกว่ามือเป็นแค้งมือกับว่า รู้รู้เท่าทางเฉยๆจะรู้สภาวะหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็โยมก็ส่วนหนึ่งที่โยมรู้สึกคิว่าทำได้ดีขึ้นคือโยมเป็นที่ละอะไรให้เร็วอาจจะเริ่มเหมือนสับน้หนออที่ดินอน่อนอะไรประมาณนี้เร็วมันเฟรชจะพยายามละให้เร็วมันจะติดเป็นสายเพราะฉะนั้นการเกิดดับมันก็จะเร็ว อย่างสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบแล้วก็แค่ชอบเฉยๆแวบางเอ่ยสามันตรงไหนที่เดชาติยมกาหนดมันก็เหมือนกับว่ามันก็สมมติไปได้เลย่มีเหมือนปกติทอย่างที่ว่ามีแคนีคือมันเหมือนเราเป็นคนมีสติ ปกติทุกอย่างที่แต่ว่าเรารู้หมดว่าเออตอนนี้เราทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่แล้วก็มือก็สมมติไปเรื่อยๆได้เลค่ะความคิดเกิดขึ้นเองจากการเสดงว่าจากการโยมก็เป็นเหมือนปกติค่ะบางทีมันมีเหมือนกับเป็นความคิดขึ้นมาสนงในสมเหมือนกับเตือนเราบ้างสอนเราบ้างอะไรประมาณนั้นเวลา วันนี้กับเมื่อวานวันนี้มากกว่าเมื่อวานอาจจะอยู่บ้างวันนี้ไนวันนี้ที่มีหมดคก่อนหน้าที่เดินก็ม่วงค่ะอันนี้ไม่มีม่วงเลยค่ะ ควาคุณขงเนาะก็เรียกว่าเคยทาหนอมากอนทำมานานไม่หน่อมจริงๆทามานานการทาเป็นสิบปีแล้นานนะใหม่ๆทำได้ดีเลยค่ะราะไม่ไม่คยเข้าใจแต่การทำธรรมชีพก็ยังยังรู้สกอปลแต่ว่าเราคุณนั่นมานานเนาะแต่ว่าทาขึ้นไปตอนนีคุณจะพอคุณขึ้นไหมคุณคุนใจขึ้นไปไหม นนี้ดีมากคือคิดว่าตัวเองจบค่ายวันหนึ่นงนะคะก็ไปต่อยได้ต่อยอดต่อไปนะ <c oughs> เอ่อคุณอาร์ตินบคานายนักการหลวงพ่อและขหน้ า, นาสูงคุณแม่ชีสวัสดีเพื่อนนกะปฏิบัติทุกท่านค่ะก็มาปฏิบัติครั้งนี้ช่วงสามวันแรกนี่ก็รู้สึกว่า ตามรู้ได้ดีค่ะทันทันทันรู้ทันความเพลินค่ะก็จะไม่ค่อยว่วงแล้วก็รู้สึกว่าตามรู้ได้ดีแต่สองวันหลังสองวันหลังนี้จะไม่ทันสมาธิจะไม่ตั้งมั่นแล้วก็มันจะเพลินค่ะมันจะไม่ทันความเพลินค่ะมันสบายแล้วมันจะมันจะไม่ทัน มันเินความมันจะเข้าไปในความคิดแต่สมวันแรกเนี่ยมันจะทางเห็นความคิดก่อนความคิดแว็กมาเนี่ยเราก็จะจะทันมันแล้วก็จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนร่างกายให้มั น, นให้มันตื่นรู้แต่ตามสองวันหลังนี้ไม่ตั้งมั่นเลยแล้วก็ตามรู้ได้ไม่ดีมันจะเพลินแล้วก็ลงเข้าไปในความคิดครัแล้วก็รู้สึกว่ามันหนัก รู้สึกว่าเราตั้งใจที่จะให้มันรู้เราเลยรู้สึกว่ามันหนักแต่พอมาเมื่อเช้านี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเบามันเบามันเคลื่อนไหวแล้วมันเบาเบาแล้วก็มันตามรู้ได้ดีค่ะสมาธิตั้งมั่นดีค่ะแล้วก็เช้านี้รีบหาเรีบมาขึ้นมาเพอเตรียมเก็บของบางส่วนวก็จะเห็นเห็นความเห็นใจทีม่มันเห็นใจที่มัน มันรีดเห็นใจที่มันหนักหนักเห็นใจที่มันพุ่งพุ่งส่งออกพุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าค่ะถืาว่าเขาทําเห็นมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่ที่กายเราค่ะเรียนแค่นี้กนาะรปฏิบัติครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนอย่างงี้พ่กลับไปบ้านรูสมรนดุทุกทีนะครัครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่ ที่มัเห็นแง่มุมที่จะทำให้มันเราถัามากขึ้นตรนี้ไหมให้ดูใบอะไรไหมใกลม เช้ากับเย็นพื่ชากับย็นวันีพื่นี้ได้มานอนคือสิ่งที่ดีมากนะเพราะงั้นุญจะเจออะไรบ้างในสัมดาห์ที่มาเที่วนี้เพมีสรัทธาการปฏิบัติเองก็มีเลยี่ะเที่นี้ได้มาก็ลงแบกนปะสุการ์ป็นพื้นต่ำการมาตรการของพ่อขณะสรงสามเณรแม่ชีและสมุทรีการละยามีทุกท่านนะคะสำหรับการปฏิบัติของโยมนะคะ ยมจะสังเกตเห็นการเคลื่อนการนิ่งได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วเวลานั่งดูการเคลื่อนไหวของมือไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเบื่อความเจ็งเกิดขึ้นมาบ้างก็จะจำคำพูดคำเทศของหลวงพ่อมาเตือนตัวเองที่หลวงพ่อเทศว่า การปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดข้อมาคอยย้เตือนตัวเองให้มีพลังในการปฏิบัตินะคะแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆ เ, ยเยวลามีความความปวดความเมื่อยก็มมยจะรู้สึกหนักก็จะปรับเปลี่ย น, นวิดีนบทก็จะรู้สึกเบาขึ้นก็รูๆๆๆ้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมี ความั่งเกิดขึ้นก็จกับกับเสกียบดแล้วก็ยืดตัวตรงๆทำก า, าเป็นโอก็จะอ่นนะานตับค่ะซึ่งความมั่งจะมีอาการหนักมากอยู่วันหนึ่งที่ว่านอนไม่หลับนะคะของวันเลยได้ไปนอนชั่วประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกดีขึ้นตอนบ่ายก็ปฏิบัติได้ดีค่ะแต่สิ่งที่รบกวนการปฏิบัติมากที่สุดคือความคิด ความคิดจะมาเยอะมากนั่งยกมือไปเดี๋ยวความคิดเขาเข้ามาแล้วก็จักลับมารู้สึกที่มือกาลื่นไหวของมือเดี๋ยวพอหายปั๊เดี๋ยวมาใหม่ทีนี้พอมาบ่อยๆเข้าโยงก็จะคุยกับควาคิดคุยในใจนะคะพอความคิดเกิดปั๊บโยวว่าจะบอกคิดในใจว่าอ้าอ้าคิดอีแล้วกลับมากลับมา แต่โยกก็จะตัดมาดูที่กาเสืนไหของเมืองค่ะเจะดูไปเรื่อยๆความคิดคุ้มขนาดเขาแถวนี้ดูอยู่เรื่อยๆกันงเป็นนิบอที่เยอะที่สุดที่ยงเจอแต่ยยงก็ไม่ได้รู้กมูลนิอะไรนะคะก็ถูไปเรื่อยๆค่ะกรสบของโยมก็อยู่ประมาณนีคะเอิที่ถึงคนนเสมอว่ามีลักษณะ อาการที่มันเกิดขึ้นแล้วเข้าไปรู้ทันแบบเร็วกครั้งมคุณเจิไม่ทุกครั้งค่ะบางครั้งไม่รู้ก็เลยกลายเป็นความคิดปางทีก็ง่วงงันค่ะแต่ก็กลับมาได้โดยการบางทีก็ไปคุยกับความคิดกลับนะเขาก็กลับไาอที่มันปฏิทิก็กลับมาอยู่ที่มันรู้ไหมว่าความปืนเกิดขึ้นได้เกิขึ้นเพราะเราเราเผลอไปอะค่ะ นี่เป็นเหมือนที่เผยมันจดกับเตือนนะแต่กวามเตือนไม่เด้ต้องมีตัวไม่เกิดเผยพอพอเปิดนานก็คงถผยแต่ว่าตัวที่จะทาให้เกิดเติอนเนยเราเก็บมันมันเป็นยังไงก่อนจะเบอรค่ะเบรเบอนี่ก็จดกับเผนะมันจะมีอีกตัวนึงได้จดกที่จะเปลี่ยนเป็นความเตินตัวนี้เขาเรียกว่าสบายเราไปเสพความสบาย เพราะนันพทธยาพระนั่งที่ว่าน่ทีันนี้มันสามารถเป็นต้นตอที่จะให้เกิดที่บดได้ทุกตัวถ้าร้านที่ไเพราะว่าร้านที่วดได้ทั้งดเลยนี่เราต้องรู้ว่าตอนเกินนั่ที่เกิดอะไรเกิดจากความที่มันสบายความสบายนีนะแต่มาเสียตรงไหนาก็บได้ยากค่ะเกไม่ใช่สกที่เราไปเสกมันเรื่องตัวหในชวิจยาวันเนี่ยทุกคนนี่กการสบายหายเกินนี่นะ เพืการดื่มการกินเพืในการเล่นการนอนเพืการดูน้ำตังเพลงเพื่อในการสนทนากับเกมอะไต่างๆเราสร้างความติมที่สัยในที่จังหของเรานะเมื่อมาปฏิบัติธรรมที่างกายเป็นตัวปริสัทธ์ที่สำคัญเดียวก็มืนเป็นเรื่างบริัท์ตั้งต้นที่จะนำไปตัวนะเพราะนั้นที่ชาวโลกเขทุกข์กทุก็นบุเท่าใดตรงนี้เพราะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องแต่การนี้ก่อนเลย ส่วนใครแการได้บ้าเลยน้อยคือ่องควาสามารถข ก, กสังเกตการณ์านาสุหมายขัน้นิดดาิดาขยับนั่งข้างล่างลำบากเป็นเจดีย์สะดวกความตั้งใจก็เป็นคนใหม่ด้วยประสบการณก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาสู่ปฏิบัติของแนวรลงพ่อเทียนนะคะ ปกติที่ผ่านมานี่เวลาต้องการให้ตัวเองมีสมาอีกจิตตั้งมั่นก็จะใช้กุลสโลบายซึ่งมันก็มีหลายอย่างค่ะการสมาธิก็จะแค่บริกรรมพุโทโธแค่นั้นเองครับแล้วมาที่มาถึงปฏิบัติครั้งนี้ก็ได้ทดลอดทงทำดูก็พอจะเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแต่คงยังไม่ได้เห็นรู้เห็นอะไรลึกซึ้งพิสดารอะไรมากมาย แต่ก็เข้าใจในเวลาปฏิบัติค่ะอ่าดูสิพ่อเวลาปฏิบัติมันจะแวะขอาไปเป็นความบนิกีกรเองเป็นหน้าที่เกิดอะไรขึ้นพอดีจะมีปัญหาหลังนะคะงพ่อกระดูกหลังเสื่อมหลันนยาท้อเว้านาขึ้นมาก็ต้องพยายามเปลียนท่าอะไรบ้างค่ะตุองเทียน คือเขาเป็นว่าธรรมะบนตัอบนะทีนี้ในการมาเคลื่อนไหวทบบนีจิตใจของเรามีการรับได้หรือไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหมากตันแแนวที่คือปฏิบัติยังไงเรมองมองบอกไว้ยัมองไม่ค่ออกค่ะการมาเคลื่อนไหวแบบนี้คือจิตนะก็นั่งแบบสะดวกสบายส่งกตการที่ดีเร็วที่ดีต้องนั่ง อดีว์หลับตาไม่ได้หลักค่ทีแค่ต้องการสมาธิจิตตั้งมัน่นบริกรรมโทนี่มันก็ได้แล้หมายถึงว่าอะไรสูตที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้หลับตาใช่ไหมไม่ได้หลับตาค่ะต้องการสมาธิจิตตั้งมั่นก็บริกรรมโทค่ะผู้โทรเลยไม่ไมมด้หลับตาเค่ะเรียกว่าบางทีสูตรนะสูตรเขาต้องหลั บ, บ ต, า ต, ตาหลักกตาละอ่ะ ว่าเข้าใจว่าคําว่าสมาธิคือจิตตั้งมัน่นแล้วเราก็หาอุเชลบายของตัวเองว่าจะทํอย่างไรให้จิตตั้งมัน่นแค่บริกรรมมุทุนี่มันก็จิตตั้งมัน่นนะไม่จําเป็นต้องหลับตาอ๋อเวลานั่งปฏิบัติในรูปแบบนะถ้าในรูปแบบก็จะนั่งสมากิ็จะทำหนังส่วดมนตตอนเย็นก็จะนั่งทำสมาธิหลับตาอ๋อในรูปแบบไม่ค่อยสุลับตาแต่มทุนี่เป็นสมาธิยู่แล้วค่ะ จริไม่ต้องรับตาแต่ไมถ้าเขาสูงรูปแบบนี้ต้องหลับตาให้ปนบสมมิที่นมันดยไม่ต้าหลับตามันถ้นไหวอสีขัดแย้งไหมมันก็ไม่ขัดแย้งแต่ว่ามันเนนาจากห้าใจที่มันจะเพิ่มขึ้นบ่อยค่ะงแล้วก็การดึงตาที่มันต้องหาจุดที่ว่าทําให้จิตมันจิตมันไม่สักใส่เลมาอาางตากม่จะมองใกล้หรือมองไกลจะเอาติวไหนดีเลย วิธการตึ้นไหวที่มาไดงที่จะไปต่อได้ไหมด้วยจะไม่ไม่เข้ากับสเปคของเรื่องก็ต่อได้ค่ะเพราะว่าแนวทางปฏิบัติที่จะสู่จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวแนะนำไว้ก็มีบัรยากาศขึ้นมาหลายทางแต่สุดท้ายนี้จุดหมายปลายทางก็อันเดียวกันเราก็เอาไปปรับได้ตัวเองว่าจะทําอะไรได้แค่ไหน เพราะนั้นก็ในภาคปฏิบัติเนี่ยตัวห น, นุ่มก็สิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวหลักต้องการที่จะให้ใหตัวรู้เนี่ยมันเด่นชัดที่จะเป็นตัวอยา่างมันจะเป็นปัญญายางีปััสนายากระดังจะพัฒนาไปรเรื่อยๆแต่กรณีที่ตัวรู้จะจบตัวได้สนานั น, นะต้องประกอบด้วย 1. มีความรักที่จะทำเรยว่าศรัทธานะนสองมีความกล้าที่จะทำเรียกว่าปิสูน์เราอวิีวิยา ประการอีกสาคือคุณมีระบบระเบียบในการทำด้วยสีประกอบด้วยสตางเลี้ยงและสีที่นำไปสู่ตัวสมาธิและปัญญากลับไปเพราะนั้นเราก็ต้องคำนึงสิสภาพเป็รองด้วยเพราะงัน้นเราจ ะ, ะปลูกต้นไม้สองต้นเมื่อต้นทุเรียนเนี่ยคิดว่าทเรียนจะปลูกตน้นไหนก็ได้คงจะไม่ขึ้นนะแต่มันก็ต้องมีที่ปลูมันทีจะขึ้น นิฟ้าอากายสภาพเป็นมมอากาศที่ตัวรู้มนันให้มันเดือดตได้เมืออนใส่สิงตงวดล้อที่เอื้องกันสิ่งแวดอมที่เที่น่าจะเป็นประโยชน์คือมีความรันความความกล้าหาญการาพิสู์ได้ทที่แล้วก็มีความเป็นะระบบละเอียดในการทำโพสควอ น, ะนีก็ขออนุโมทนาิดาด้วยนะขอดอไปออนดีมากค่ะ เพระอาจารย์แล้วก็แม่ชีแล้วก็ะไรยมี ท, ยทุกท่านออก็ดีค่ะก็แรกๆสามวันแรกก็ง่วงมากตามน่ะแต่วันที่วันที่สี่ก็รู้สึกไม่รู้บรรยากาศดีฝนตกเมื่อไงเนี่ยรู้สึกสดชื่นไม่ไม่ง่วงเลยสองวันหลังสามวันหลังไม่ง่วงเลยก็ดีค่ะก็จะพยายามตั้งใจ เรานาะเราที่สองมีเพื่อนควรไม่ได้เต็มที่มาที่ไม่ไม่ีเพื่อนควรเลยไหมก็มีอะไรควรหนึ่ไม่ได้เต็มที่ก็พยาามคิดโน้คิดนี้ก็พยายามจะไม่คิดค่ะความคิดบางคนเนาะเพื่อนควรนี้ยังผลได้แต่ความคิดบางคนนี่คยากคิดไปคิดมาเสื่อมก็มาเลยเลยเลยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็พยายามจะดึงกลับมาไม่คิดอ๋อระหว่างมันคิดไปก็พยายามดึงกลับมาเนี่ยไหนนะมาก อ๋อไหวได้หรือเปล่าล่ะพยายามอยูได้ค่ะอ๋อพยายามอยู่พยายามเอาไปนะถ้าไม่ได้ก็ทุกข์พยายามทําปเรื่อยๆขั้นไปนั่งนั่งขึ้นนั่งขึ้นพี่สิงห์ว่ามีบริษัทเปล่งหลายรอบอยู่รอบนี้ทว่ า, าต่อผลิไหเรามีฟ <laughs> ังไหมค่ะก็ปฏิบัติวันแรกค่ะก็ร่วมกระตุหลวงพ่อ ก็พยายามเปลี่ยนท่าใช้วิธีการเปลี่ยนท่าแล้วก็แอ บ, บมองเนงอมมองจักจังหวะเนงคะ่ะแล้วพยายามทําจังหวะให้ได้เท่าไปพร้อมกับเนงคะ่ะก็ช่วยได้แล้วก็เพราะวะ่ๆๆะาลูนตัวตัวว่าจังหวะตัวเองมั่วมากเพราะว่าพอพอพอไปนั่งทําเองอ่ะคะ่ะพอไม่ได้เห็นใครไปนั่งทำเองก็รู้สึกว่าตัวเองจังหวะมั่วไปหมดก็ใช้วิธีนี้เอาค่ะช่วงเช้าจะง่วงเยอะหน่อย ก็คือจะเพลินนะคะ่ะแล้วก็เราตอนนั้นเราก็องไรู้หรอกว่ามั น, ม น, นเป็นรายการเพลินเราก็ง่วงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเนียนท่าเพราต้นบ่ายมันได้เดินชงกลมก็ก็จะดีขึ้นค่ะพอเดินชงกลมมันก็จะความงวง ม, มันก็หายอ่ะทีนี้มันก็มีช่วงเวลาที่ต้องออกไปทนำะปฏิบัติภารกิจแล้วกลับเข้ามาใหม่พอกลับเข้ามาใหม่รู้สึกว่าจะสังหวะอะไรง่ายขึ้นสามารถทํา พิธีกรรมหรือกงคืนทั้งการบังกายหรือว่าการเอ่อการเดินการนั่งอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําได้ไ ด, ได้ได้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ันสุดท้ายคือเมื่อวานเก็บอารมณ์ก็จะมีความง่วงเข้ามาตอนตอนเชา้าคือมันเพลินแล้วมันก็ไม่นจะมีของยามันเพลินแล้วมันง่วงแล้วมันเพลิ น, น, แ, ล น, นแล้วมันก็คิดค่ะก็ อบางทีถ้ามันดีมากๆคือมันไม่รู้ว่าเพิน ม, มันก็ง่วงเลยมันงวงไปเลยเนื่อที่มันต้องเพินก็มีเหมือนกันค่ะหลายช่วงบ่ายก่อนที่หลวงพ่อจะมาสอบอารมณ์มันจะมีจะมีอยู่เป็นละลอกที่ ท, ที่ที่เป็นอารมณ์ของความโล่งปลงอะ่ะคือมันมันก็จะเกิดอาการนั้นเป็นบางขณะก็อยากเก็บใส่ขวดกับป้างน้าหนะุ่ เคืออยากอยากมีอารมณ์แบบนั้นบ่อยๆเพราะว่าพอมันพอมันเริ่มล้องโผลุ่๊บมันก็จะมองอ่ ะ, ต, อะ ต, อต้นไม้อ่ะต้นไม้มก็คือต้นไม้ต้นไม้มีกระรอกเนี่ยค่ะต้นไม้มีนกอย่างค่ะมันก็จะเริ่มคิดอีกหละแต่ว่พอพอกลับมาได้ก็อ้าวเราโผล่ อ, อย่างได้แบบนั้นพอเล่ไปเรื่อยๆทําปฏิบัติไปเรื่อยเทิน อ้วอกย่างนี้ค่ะก็จะวนก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่ากระเพินอวงแบบนี้ค่ะหลวงพ่อโดยเฉพาะคนมุ่สาวเกินง่ายเนาะเพราะไพราะวียนน้ำก็จะม่นเหมือนคนคุณผู้สมอยุกรเพิร์จะมาไว้เพินแล้วไปเสยเสกที่ไม่ดูตัวเลยไปเสกยัก็ติดติดเกินเลยนะทีนี้ใอ ทราบข้อมูลมาว่าได้เคยปฏิบัติการนั่งเรนังมาก่อนค่ะก็เห็นว่ามีทางที่พอมามาผ่านแต่ก็ไม่ได้เจมคอร์ดนะครับก็ไปเรื่อยๆได้มีความแตกต่างระหว่างการนั่เรนังต้องแบเคลื่อนไหว้ย่งไรบ้างต่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะเหมือนฝึกความอดทนเพราะว่าอันนั้นคือการให้นั่งปฏิบัติ แล้วก็ยืนเดินตรงกลมนะคะแล้วก็คือเขาจะเป็นสเตทที่ให้ทําแบบช้าๆค่ะเขาจะเน้นความช้าเพราะว่าเขาอยากจะให้สติอยู่กับตัวตลอดเวลาหรือว่าให้อยู่กับเรานานที่สุนแผ่นดินจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะช้าหมดไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนทานอาหารทุกอย่างจะมีการนับนับ1 2ึ่งสห้าเป็นสเตทนะะทั้งการเดินตรงกลมด้วยก็จะเดินช้าการกราด ครัองอะค่ะกลครึ่งงชั่วโมงค่ะการบสามครักันครึ่งชั่วโมงแค่นั้นจริงจิงมันช้ามากก็ก็จะเป็นแบบนั้นก็นั่งนั่งสมาธิให้นั่งอยู่ท้าเดียวก็คือนั่งสันสมาธิถ้าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บก็นั่งสอบไปก็ดูความเจ็บท่เนพิงค่ะถ้าเจ็บถ้าปวดก็รู้ว่าปวดก็ดูค ว, กกวามปวดก็นั่งสอบจนครบชั่วโมงนะคะแล้วถึงให้ให้ให้ให้ยืน เดินวงกลมเดินงกลมเกิดปิติก็รู้ว่าเกิดปิติอาจจะเดินต่อเดินไปเดินไปปวดขาปวดเ้อะก็รู้ว่าปวดก็เดินต่อจนพบเจ้ามูงแล้ได้นั่งจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ตัณห์เนี่ยค่ะคือจะอย่างนี้เลยฝุกความอดทนมากๆเลยค่ะบางนี้ก็เขาก็ปวดจนแบบมันมันปวดจนชาจนไม่รู้จะทําอะไรค่ะก็รู้ว่าชาก็เดินต่อเป็นเป็นการปฏิบัติตังนี้เลยค่ะเหมือนเอาติออกจาก อ, อพยายามเอาสิอเอาจาันจัดจุดนั้นน่ะคะ่ะแล้วก็นั่งดูนั่งให้รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกรู้ว่าหายจเข้ารู้ว่าหาออ ก, ก, าาออกแต่ก็ไม่ต้องพูดโทรไม่ต้องรูหนอห้องหน อ, หนอคือให้รู้ว่าทำอะไรอยู่ mm hmm. ก็ให้ทำชาช้าช้ า, ชาที่สุดทีท่จะเป็นไปได้าสะะ่ กลับมาบ้านแล้วก็คือเป็นคนที่ทําอะไรช้าลงแต่พอพอเราไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติคือทุกอย่างก็กลับเหมือนเดิมอะค่ะอยู่อย่างนั้นประมาณเป็นคนทำอะไรช้าอย่างนั้นประมาณเดือนนึงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ า, าไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าที่รั่นเขาห้ามอ่านหนังสือห้ามสวดมนค่ะห้า ม, ห, ามห้ามเลยปิดวราระจันทรือิดเจ็ดวันไม่ไม่สวดมนไม่สวดนต่านไม่สวดมนต์จะมีแค่ทำวัดเย็น คำว่าเดนก็คือแค่ณณโมเมนต์นั้นนะคะ่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วถึงห้ามห้ามอ่านหนังสือห้ามจกคนไม่ให้อ่านหนังสืออยู่ในห้อง า, าอีกบ้างเลยวันาการันค่ะจันจะพูดได้คือจสอบอนุมและก็เก็บโทรศัพท์นีน้ใช่ค่ะเก็บโทรศัพท์เก็บเลยเจ็ดวันใช่ค่ะแที่นี่มาวิธีนี้เป็นเงินต่างอย่างเงี้ที่ว่ามันก็ผ่นคลายค่ะอยนี่คือหลวงพ่อให เน้นในเรื่องของการาทาให้สบายที่สุดทําให้ผลอนคลายที่สุดมันก็มันก็มันก็ดีในในแบบที่ว่าเราไม่เครียดเราไม่รู้สึกว่าเราเราเครียดแล้วเราก็ทําไปได้เ ร, เรื่อยๆค่ะเหมือนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะถ้าเป็น น, นุ่นคือถ้านั่งก็ถ้าปวดก็ต้องมาต่อก็รู้ว่าปวดอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าชาก็รู้ว่าเจ็บก็รู้แค่นั้นแล้วก็ทำต่อแต่ว่าที่มีคือมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามตามสภาวะที่เราเป็น เพื่อให้เกิดอาการที่สบายกับติดตออที่สุดนี่แะคะก็ต้องการจะนั่งิมาสู่ปัจจุบันเนี่ยระหว่างทํารืออรแบบนี้ทำได้ทําด้ไวกว่าหรือง่ายกว่าอันนี้จะง่ายกว่าค่ะอันนั้นสาววันแรกคือแบบทรมานมากค่ะเพราะวันที่สี่มันเริกก่รา ม, า ม, มชินมากกว่านั่จนชินก็เออก็เจ็บนเนาะเด็บเด็บนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปดูมันหายอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ี่นี้คือเราก็จะเปลี่ยนทาไปเรื่อยๆอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาวะที่เมื่อไนเราไ ป, ป, ปกัยไปยุบใช่ไหคือจวได้ได้ได้ได้ขณาดไ้ได้ค่ะได้เพราะว่าเหมือนเราได้รนรู้ว่าอตอนนี้เร า, าเป็นรู้เริ่มรู้สึกเพลินอ่ก็ดึงจิตกลับมาอันนี้เรารู้สึกหดอีิดก็ดึงจิตกลับมาอันนี้ค่ะที่จะไปใช้ได้เรื่องลูกเรื่องนามยังยังงงๆับหลวงพ่อ ก็คือการติดตามจิตกลับไปกับมาใส่ในลูปนามนะค่ะแต่มันจะเป็นว่าในช่วงสัน้นหรือช่วงยาวถ้าสา ม, มารถติดตามตัวเองได้แล้เรียกติดกัมาได้เป็นช่วงยาวนั้นในลูกนามมันเพิ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ที่ว่าพอเรียกครับสองครั้งในระยะยาวหมายความว่าลืม ย, ยาทั้งวันในลูกนามก็ยังไม่ปิดนะค่ะนลูกนามที่มันจะอยู่กับเราตรงที่ว่าเราสา ม, มารถผู้ได้เฉยๆว่าอิจินออกแล้วนะก็เรื่องหนึ่ับอิจิตออกแล้วนะวเป็นรืงกับในปัจจุบัน ถ้าทําได้มากได้ยามมากเทไหรอันนี้คือความเข้มแข็งของรูปนามก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นคือระถ้าวันหนึ่งจะเป็นเราทําวียสัญญามันก็จะเป็นเป็นปัญญาถ้ามันมันเป็นการจะอนุมาตมันนะคือแล้วรู้เรารู้มันออกแล้วก็มันก็เข้ามาลุกว่าออกไปเข้ามาคืออนุมาติมันเองนะแต่บังคับตรงแรกนี่ต้องบังคับมันเข้ามานี่เป็นเป็นสัญญาใช้กำหนดแต่พอมันเกิดความคล่องตัวเป็น ใ น, นนะเทคโนโลยละในปัิญญายาที่เสร็ในในรูปทางในจนี้ต้องทำไปในจุดนัน้นเยังปลอดภัยเขาวางสถานการณ์มันไม่ได้บอกเราบอกว่าโลกมันจะมาหรงมันจะมาลงมันไม่ได้บอกเราผูป้ามันเกิดเลยแต่ถ้าสีิจะมาไม่ทันเราก็เสียท่านนะดังนั้นต้องไปทํำต่อให้ให้ช น, น, นะนะเพราะว่ามันสามารถเได้ทุกพี่ขึ้นอยู่ว่าเรามีศรัทธาที่ทำไหมัน2ขยนขันทำไหมสามอยากได้เบียดตัวเองเกิดไหม นะสักาการะยาดีศีอ่าก็ไปขอข้ามอะไรนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปหายมนองคนสุดท้ายขามาที่ยมดิษฐ์ยมดิษฐ์ได้ปฏิบัติทางใสนิมายาวนานปวดฉุกค่วนาเที่วนี้มีอะไรที่มันแตกต่างหรือเหมือนเดิมเรียวมีอพัฒนาขึ้กเดิมก็อยากจะด้รัประสบการณ์ในส่วนนี้ สมนัถภาพขอ ง, งอรแล้วก็ในการสโดนะครับช่วงสองสามวันแรกก็อยางนีเรื่องของความง่วงแล้วก็ทุกข์ก็แนะนำให้ให้สังเกตดูนะก็ออตอนที่เดชเข้าเ ก, ก็บอารมณ์ก็พยายามสังเกตก็พยายามดูว่ามันมาตอนไหน แต่ก็ยั ง, ยงชัดแต่ว่าพอรู้ว่าออพออาการที่เรานั่งพุ่มนี่มันจะหามาพอมันหามพุ่มเนี่ถ้าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเนมันจะไปต่อก็คือตาลก็จะหละหับทันทีครับแล้วมือก็จะหยุดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะหวาดก็จะใสแต่นั้นใสอันนี้อันนี้อันนี้ทุกครั้งถ้าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนครพอพอรู้นี้ปุ๊บก็พยายาพอเริ่มอาการมาปุ๊บก็ยาจะเป่ี่ยน เปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนเป็นยิงเปลี่ยนเป็นเดิ น, น, ด น, ด น, น, ดนก็ก็หายไปนะครับก็จะก็หายได้นะครับพอวันกางกางก็รู้สึกปฏิบัติได้สบายนะครับก็ก็ไม่ไม่อึดอัดแล้วก็รับรู้ตลอดแล้วก็ก็จะมีบางช่วงนบางช่วงที่มีความคีดที่มันยาวไปนะครับอยาวถึงขั้นที่เกิดมีการฟูมแต่งแล้วก็เริ่ม เรื่องมีอารมณนะ์เรื่องมอารมณ์ู้สึกทุกข์สุขพอรู้สตกทุกก็กลับมาไดนะ้ก็จะมีแค่บางบางช่วงที่เป็นต่อ น, น, นั้นนะครับทีนี้พอมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานนี้นะครับปกติเวลาพอเรื่องปุ๊กเนี่ยในที่พักมก็จะหลับง่ายนะครับก็อย่างที่หลวงอบอกให้เจริญ อ, อาาก็จะหลับย่า้แล้วก็จะรู้สึก ต, ตัวตึง ก่อนที่จะเสียลเราทำุกนิดนึ่งแล้วก็ตืน่นอันดีนะครับก็จะตื่นแต่มาเมื่อวานนี้รู้สึกตื่นก่อนรู้สึกว่าจะมีระยะยาวกว่าเดิมยังไม่มีเสียงในการปลกนะครับก็ยังไ่ยังไม่ถึงเวลาก็นอนตอน่อแต่ระหว่างนั้นไม่หลับแหละแต่ว่าเกิดอาการหาเห่าไปสามครั้งเป๋อแหว่งทางที่เราหลับอยู่แต่ก็าหาานะครับ เผลอหลักอีกนิดนึงแล้วก็ดินเสียงระับแล้วก็ช่วงเช้าก็ยังเดินทำก็ยังปกติอยู่มาช่วงสักประมาณบ่ายสามเป็นสี่ที่พี่บุญมาจะกลับบ้านนะคระับดปเอารถมาใส่เกลยกไปที่ตรงใกล้กุติก็เลยมีการพักกันนิดหน่อยว่าจะกลับแล้วมีงานที่จงังหวันั้นเองนะครับเรื่องเรื่องงานเข้ามาทีครับ เรื่องงานเข้ามาบางทีปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอาการคิดจินตนาการคิดโปรเจกต์ขึ้นมาบางทีคิดเรื่องงานแล้วเออเดี๋ยวกลับไปเนี่ยขึ้นตีงบประมาณไหนเราจะทําอะไรนะครับเราจะทํานั่นทีนี้มันคิดออกมาไหลมาเป็นตั้งครูนะครับไม่ยอมหยุดจนตาการขึ้นปวดหัวเพราะว่ามันหยุดไม่ได้แล้วก็เดินจงกรมก็มีกลับมาอยู่ควาสึกตัก็ ม, เมึเปลี่ยนท้านั่งก็ไม่มึนนะครับก็เลย ไปอาบน้ําครับอาบน้ําจังหวะนั้นหัวมันจะร้อนซึ่งมันมันขึ้นมากแล้วก็เอาน้ําลดหัวอาบน้ําทีนี้พอพออาบน้ำปุ๊บนะครับความที่มันอาการมันมันร้อนแล้วก็เราลดน้ํานันทีพอกลับมาเรือนปุ๊กก็จางเลยครับจามพึซซัเย็้มน้ําหูวน้ำตาเลยก็คืออาการต่อมาคือพอเราไปอาบน้ำดีครับหัวไม่ไปโดนความเย็นดังนี้ก็ เ ก, กิดอาการทางกายขึ้นมาครับก็เลยรักษาตัวเองก็คือปกติจะเป็คนรักษาตัวเองคือว่าอยา่างที่สอดคล้องมาที่ครับหลวงพ่อบอกก็คือหายใจแล้วก็กั้นนิหนึ่งนะเพื่อให้ให้สเต็มเซลล์เข้าสู่ร่างกายมันก็ว่ารักษาตัวเองนะครับผมก็ตอนเยนก็คือกําหนดว่าให้ให้มุ่งมุ่มร่างกายเป็นปกติแล้วก็หายใจเข้าลึกแล้วก็กั้น ก็รักษาเองได้ก็ไดรับอั น, นี้อันนี้คือบังเอิญไปเจอทฤษฎีหนึงเขาเขาเรีเยกว่าทฤษฎีโคเทนัสคือการหายใจรักษาเองครับอันนี้ก็คิดว่าหรืออช่วยเองได้ใ น, น, นกรณีบางนกรณีเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไปทํางานบนภูเขาสูงแล้วก็เกิดเป็นไข้เป็นไข้ขึ้นมาตัวร้อนสูงแล้วก็หนาวแล้วก็ไม่มียาผมก็ นอนแล้วก็ ก, กาหนดจิตกั้นหายใจเปิดหายใจช่างสบายอันนี้ก็เลยว่าเอาใช้บางช่วงแล้วก็ก็ใช้ได้อยู่แล้วก็สามปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้ยาเลยเมื่อก่อนนี้เวลาเราเป็นไข้ปวดหัวปุ๊ก็จะมียาอันนี้ผมก็ใช้หมดก็ประบสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้ที่ผ่านมาที่ทีหลวงพ่อแนะ น, นำรือว่าเราจะเถิดครับเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เพราะว่า เวลาไปบัตรเราก็จะความยังมีเยอะก็จะเดินทั้งวันนั่งสร้างจังหวะทําได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางบางช่วงเราจะง่วงจะจะอะแต่เราก็ผ่านเราก็ผ่านไปจนจนสุดวันแต่ละวันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าอันนั้นมันบางบางช่วงนั้นเเรื่องของความความเคยที่เราไม่ได้เข้ามาสังเกตนะอันนี้ันนี้ก็จะนําไปปรับใช้ว่าคือบางบางครั้งที่เราต้อง เพื่อให้หลุดจากความเพลินครับเมื่อก่อนเราก็เวลานั่งเราก็จะนั่งจนแบบขาเดือดชาเริ่จะเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้พอประมาได้รับประสบการณ์นี้เลิ่มรู้สึกถ้าเราเราต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนที่ที่จะความเพลินก็แทรกนะครับแต่เมื่อก่อนคือเราจะเปลี่ยนเมื่อเราเห็นในเบทนานเยอะๆเราถค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ครั้งนี้คือว่าเราต้องตัดใหม่คือเปลี่ยนก่อน แต่ก่อที่มีทุกย่างจะเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ก็ก็จะนำไปตาดใช้ครับบิดเรียกว่าเข้าทางบุรีคือในการปฏิบัติแบบนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันเปิดทางไว้กว้างมากเพราะนั้นเราสามารถที่ไปยุก์ไอ้สารต่างเข้ามาเนี่ยหยิบไอ้ส่วนที่ดีเข้ามาเนีมันได้สมบัติมากมายอย่างเรื่องลมหายใจเนี่ย มื่อกเก็วเลยเป็นพอเราเอามาใช้ตอนนอนอามามาฝึกอาณาประนิสติสูงมากเลยแต่ตอนนอนตอนหลังมาสมมติว่าตับชั่วโมงมาสามเดียว้แค่สามเอนยมันไปเลยนะ1ทําทำให้หดัาลึกและสดชื่น 2. ทํทำให้ไม่ฝัน 3. าให้ได้ติดก่อนเวลาและตีดได้เวลาเพราะนั้นน่าสูกมากเลยเรา ม, มาสนใจเรื่ทฤษฎีของ NAP ของหมอแก่นนะ โมเกตุภูิท okay. ัศนก็อะไรก็ตามที <Huh. S 2> ่เกี่ยวกับเรื بي, ่องทฤษฎีเกี่ยวกับธาตุร่างกายมันจะเคยคุณใช้เพื่อให้ประโยชน์จากนั้นเราไม่ได้เกลียดว่าเป็นของใครนะแต่ถ้ามันประโยชน์ต่อต่อร่างกายของเราต่อที่ใจของเราเนี่ยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้นักปฏิบัติแปบเคลื่อนไหวคนเนี่ยเปิดใจกว้างเพื่อรับสิ่งดีสิ่งใหม่ๆใส่ร่างกายและผลผลให้ได้อานาพนสติเอาส่วนทั้ง16ขนาดในอนาพนัสติเนี่ย เรายังใช้นั้นไมได้หมดเพราะนั่นแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝตามนั้นนะเพราะ น, น, นั้นพอเราเมื่อใช้ตรงนั้นีคนเข้าใจไม่รู้นนเราเคยฝอันอื่นมาก่อนนทฤษฎีของเคีัชรชุ่มพรทีโภคภัของหมอแก่พ่อกนะัดต่อนทไปอกมามันเีสูตของตัวเองนี่นมันป็นใช้ได้ทุกๆเวลาตรง ใ, ใช้ใจก็เอามาใช้กับดึงไฟดไไในชุดไฟดึไปไปไก็เอาของหมอแกเอาั้ของอาจารย์ เอสเตดีเนะี่ยไม่ใช่ในหนึ่ปีเรเพราะนั้นหนพราว่าเออมีสมาธิอายุเกินร้อยวนะ้ อ, อยคนแล้วนะด้วยจากอายุใช้เพราะนั้นต้องช่วยกันเอาทฤษฎีต่างๆมาประอบใช้เพื่อให้ที่ในส่วนนี้นะพ อ, อให้ผู้มีธรรมปุงตั้งอยู่นานอานาาาย่างอาตุกีรังสตังค์ธรรมโมธรรมปรารรมปุคารผู้คนผู้มีธรรมให้ตั้งอยู่นานเพื่อจะได้ช่วยคนที่ไม่มีธรรมในโลกมันเยอะกว่า นั้นลักษณะในพวกเราบุงคนเนี่ยธรรมะธรราบุคคลาขอให้บุคคลที่มีทําให้ตั้งอยู่นานจะนานร้อยกี่กี่ร้อยแถ่ขอให้ขอให้ทำประโยชน์ทีนี้ได้วันไหนทําประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นก็ขอไปวันนั้นทำมาสิ่งที่ทำในใ น, ในี้จะอายุเ ท, ท่าไหร่ก็ตามแต่ยังทำประโยชน์ตัวเองได้ใช้ตัวเองได้ช่วยเยลืตัเองได้อยู่เท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าจะช่วยเยตัวเองไม่ได้ เราก็เป็นภาระของอื่นอายุสั้นเท่าทไหร่ก็ได้เขาไม่ได้ประโยชน์ได้ยังอยู่ไปทไมเป็นภาระเพราะ น, นั้นการช่วยเหลื อ, อตัวเองให้ดีให้เข้มแข็งเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ขอ ง, ของเพื่อนคนในชาติได้ก็ขอทำนะแต่ไม่สนานก็ไปขออูเอเป็นผู้นาหมู่บ้านสติคุยอยู่ลางทับเวกับผู้นคนเส็จ ไม่ใช่คุณรุ่งานเอ่อราคุยดีได้ผ่า น, นมานานก็อยาจะใหแชจประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กัวิธีการสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้รู้ผลมางานพสมควรก็เอาเวงสิ่งที่เป็ยู่ในทางานที้ก็ขอเปลนการรับระทาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกทุแล้วก็ไม่ชี คติธรามทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นได้ปฏิบัติได้ได้ได้ได้มีโอกาสและโชคดีที่ได้พบหลวงพอ่อนะคะนาะนมะานาะนแล้วก็สมัยนั้นเทคโนโลยีหรือที่การที่จะพบหลวงพอ่อเนะี่ยค่อนข้างจะยากน ะ, ะก็เลยได้รับแต่วิธีาการจากหลวงพอ่อแล้วก็มาทําเองปฏิบัติเอง นะคะปฏิบัติเองก็ไม่มีหนังสือไม่มีเ c e b o o k ไม่มี l ล n ์เหมือนสมัยนี้การที่จะติดขัดหรือมีปัญหาก็ต้องค้นคว้าด้วยตนเองหาหนังสือสมัยก่อนก็จะมีของหลงพ่อได้าดบ้างของใครบ้างซึ่งเอามาเทียบเคียงนะฮะก็ก้าวหน้าถามว่าก้าหน้าไหมปฏิบัติทุกครั้งมีความก้าวหน้าทุกครั้งนะคะขอให ตามทฤษฎีที่หลวงพ่อคือจริงจังจริงใจแล้วก็ต่อเนื่องนะคะความต่อเนื่องเหมือนที่ถ้าจะพูดไว้ว่าเหมือนเราต้มน้ําอ่ะค่ะต้มน้ำสามนาทีแล้วยกลงต้มสามนาทีแล้วก็ยกลงเหมือนเราอ่าเข้าปฏิบัติแล้วก็พอมีได้ที่อื่นก็เฮิรไปเลยหลงไปเลยแล้วก็ลืงการต่อเนื่องน้ําก็ไม่เลือดสักทีเพราะฉะนั้น ช่วงหราเนี่ยก็พอดีหลวงพ่อมีวิวัฒนาการใหม่ก็คือการการจัดคอสจัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ได้มารื้อฟืน้นรื้อฟื้นจากการที่เราปฏิบัติเองซึ่งก็พอจะรู้บ้างแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะฮะรู้แค่รู้จักความคิดตัวเองรู้การมันคิดไปรู้อะไรต่ออะไรพอเมื่อมาเข้าคอรส ปฏิบัติต่อเนื่องได้ได้เขาเต็มที่ได้ต้มน้ําอย่างเต็มที่มันถึงจุดหนึ่งมันก็พอเห็นแต่ที่ผ่านมาก็จะค่อนข้างไปทางทุกซึ่งมันจะชัดเจนนะฮะจะเห็นทุกๆุุ่มาตลอดไม่ว่าจะรูปแบบใดเหมือนที่พระสูตรว่าไว้เลยนะหลวงพ่อซึ่งโยมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับคาถานะฮะว่า ทุกพอไปอ่านแล้วโอ้มันใช่เลยเช่นทุกจากสิ่งที่ไม่ได้ดังใจนะะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังก็เป็นทุกนะคะทุกจากตัวตนก็เป็นทุกการที่เขาอ ะ, อะไรอ่ะเหยียดยม้มหรือการที่เขาไม่ได้ให้เกยียดเราซึ่งเราอุปโลกตัวเองว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างงี้น ะ, ะก็ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุก สุดท้ายคือทุกข์จากความพัดพลาดพัดพลาดจากแม่นะคะ ท, ทั่งที่ตัวเองคิดว่าปฏิบัติมาพอสมควรเพราะแม่เสียเนี่ยน้ำตาหยดเ ด, ยเดียวไม่เคยหีเลยเพราะเรารู้ว่าคนเราต้องตายคนเราต้องต้องถึงจุดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วมันเราเอาไม่อยู่ก็ทนะุกทุกทกที่ความทุกข์เนี่ยมัน มันเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าโอ้ไม่เอาล่ะปฏิบัติตนี้ทำไมมีแต่ทุกๆๆ ก, ก, ก็เลยเพาะเริ่มผ่อนภลายตัวเองแต่ขอบอกไว้ก่อนว่า ก, ก่อนที่จะสเตปที่มาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะใช้ชีวิตแบบภาวนาค่อนข้างจากหกเจ็ดสิบเปอร์เซนก็คือจะจะละเลิกทุกๆตลอดเวลานะตลอด2ี่สิบีชั่วโมงก็คือหมายถึงว่าไม่ได้จริงจำขนาดนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าเมื่อนึกถึงได้เมื่อไหร่เราก็ ก็รู้ตัวเป็นกิจัวัดนะฮะเป็นเป็นเป็นนิสัยอยู่แล้วทีนี้พอมาถึงตอนนี้เมื่อวันวันก่อนนะคะหลวงพอ่อเลิ้นหลวงพ่อบอกว่าให้ใช่สังเกตความสบายไม่สบายซึ่งแต่ก่อน่็ถอดเทปหลงพ่อมาตลอดเรื่องความสบายไม่สบายแต่ไม่ได้สังเกตละอียแต่หลวงพ่อให้ใช้ท่านั่งที่เปลี่ยนซ้ายขวาแล้วก็ อะไรไไหลายๆขาก็หลองดูนะคะลองปรากวนว่ า, อาพอพอมันหนักเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วลรูล้ตลอดการที่มันหนักหนักหักแล้วก็มันเบาเบาเบาแล้วก็หนักแล้วก็เบาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่จะนั่งเก้าอี้ก็เลยลุกขึ้นมาพอนั่งเก้าอี้พอย่อนก้นนั่งเพราะ น, านาั่นแหละะแล้วหลังพิง มันจะเห็นความสบายค่ะหลวงพอสบายแล้วมันก็เลยประมวลประมวลรู้เลยว่าโอจุดนี้เองนะคะความน่ากลัวทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นตรงนี้เองคือความที่เราจะหลงไปในสู่ที่จะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอสุรกายเป็นอะไรได้ก็ตรงนี้เองเพราะเราต้าขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะ่ะ ที่ทางทีใหม่นี้นส่วนดง่ายแต่ชื่อเพื่ก็ไหลคนทีู่บ้านอ๋อเนื่นองจากว่าเราเป็นเป็นชมรมรักสุขภาพทางของพ่อจะมีการลำวงย้อนยุคทุกเย็นโดยคุณครูแมวนะคะคุณครูแมวทนะ่านจบนักศึกมาก็จะมาปรับท่าเต้นท่าอะไรแล้วพวกเราก็จะเป็นจีตอาษาสนใจก็จะเป็นข้าราชการเกษียณบ้าง แล้วก็ทำ ง, งานกเกษียงมาก็ชมรมนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ให้ค่ะนอ่อไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านหรือเป็นการอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยชวนพยายามโพสต์ภาพที่ที่พวกเราปฏิบัติั ก, ก็พอดีกลุ่มพวกนี้ก็เห็นก็อยากมาเพราะมาแล้วก็ปฏิบัติขั้งแรกก็ไม่เคยไม่เคยได้ฟัง ธรรมะด้วยวิธีนี้ไปแต่ว่าธรรมดาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อพ่อรู้สึกว่าท่านก็เป้นว่าความเป็นดีเป็นคนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ด้วยใจชุนรงนี้นะดินไม่ซีดเข้าไม่ได้นะเ <laughs> <laughs> พราะอไต้องลงมย้อนยุกอะ <laughs> รู้ว่าคนก่อนหน้านํำเลยกรทำที่ได้สังเกตความสบายไม่สบายได้ดูต่อไปไหมความสบายมันตบความเพลินได้ยังไอพอสบายปุ๊บเนี่ยมันมันมันความรู้เรื่องตัวเราจะมันจะจคลายพอคลายแล้วมันมันไม่ชัดเจนพอไม่ชัดเจนปุ๊บมันก็สามารถหลุดได้ในช่วงนี้นอกมันหลุดไม่ว่าจะหลุดใน ก็ไม่ทราบว่ามันจะหลุดยังไงแต่พอเห็นจุดนี้ปุ๊บมันมันประมวลเลยมันสรุปเลยเพราะว่าจุดนี้เองที่ทําให้เราเกิดความหลงคุณไวมากคุไวมากนั้นถ้าใครสังเกตเห็นความเพินต่อใส่กิวนความห่วงกุมชาติถ้าคุณตามคุณไหนตามความเพลินได้แล้วเลวากจะพูดสิ่นึ่งว่าเรารู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความเพลินา็มาจากเสียความสบายถูกไหมให้ตรงที่เกิดความสบายต่อสืบเรื่อความเพินเนี่ย มัเป็นอาการขอ น, นกาองทรงนี้เขาไปสัปเสงเกตุนี้จริงนะถ้าเขาไป็นสเกตุนี้ได้เขาไปหลายเก้าเลยนะด้นที่ตรงนี้ปากูเรไปพัฒนาตรงนี้เพราะว่าสโลแกทนทิศางทีไม่สมูรนะทิศจันรตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องด้วยทั้งสี่ข้อนี้เพราะย่อมจากทีศจรตั้งใจมีศรัทารยต่อเนื่องคือสติได้สมาธิทั้งต่อเนื่องถูกต้องทุกปัญญา อนีนั่นเพราะนั้นอีสีห้านี่เป็นองค์ประกอบเป็นกุศลื้นต้นที่สุดของนักปฏิบัติ้วจะบอกว่าสตาวิสติสติปัญญาเนี่ยมันเป็นปริยะที่คนที่อายุปริยาตฟาไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าเอจริงจังตั้งใจนะต่อเนื่องถูกต้องนนี้มันก็เป็นสีในภามาสีช่างใญ่ความเร่งไม่ด้ความัรงังใจแล้วก็ตั้งใจทำจงใจทต่อเนื่องก็คือมีความรู้ควบค้องความ การมันในปจุบันนี้ตเ่เนื่องไปเรื่อยๆแล้วความผูก็มันก็จค่อยปรากเองได้นานั้นอดอมอาคนใหม่ที่เพิ่ง ม, มมงมาสุดๆต้อนรอที่เต็งมันถูกชวนมาถูกหลอกมาถูกโกงมาหรือว่าหลงทางมาต้องเรื่องต่างๆกรงานการหลวงพ่อท่านพสทรงน่ะกิริยานี่ทุกข่านขก็มาครั้งนี้ก็เหมือนัน เป็นเด็กแนงุ่บางคนะ่ะ <c oughs> มันเริ่มต้นก็รู้สึกดีนะค่ะเบาสบายตักสังทิปผูสร้างไ ป, ไ, ปได้แราทแล้วรู้เอาไปทวที่บ้านได้นะอ๋อค่ะก็ได้คนะ่ะรู้สึกดีมากเลยคืมแต่ถ้ารมณ์ยั่วยุันลหมหมเลยนะมันก็ต้องคง ง่าย่าความรู้สึกคนละสวรรค์มันมาด้วยสิเลยนะเราลำบุญแบบก็สิตัวก็ได้เลยได้ก็คงจะได้เป็นบางครั้งนะมังคเพราะว่าอันลำบุญก็ต้องใช้สติเหมือนกันครับที่มันจะหลงผิดพาดไไงใช่ใชเพะนั้นก็ให้ลำบได้แต่ว่าให้นบตัวไปด้วยนะ คือตัวเอ็ก oh right. oh, no. ุณแก่ขณะนี้คุณจะมาลงทงย้อนยุนี้ก็ท่าดีกว่าทิ้งสีนเป็นรื้อสีเป่าท่าทท่าแยกความรู้สึกแยกความรู้สึกออกมาแล้วส่งให้ครูอะวครูแมวอะไรครูแมเปียค่ะี่เปียค่ะีเป็นไงได้มาเป็นหัวหน้าใทการปฏิบัติตอนนี้มาหลายตั้งละแต่ว่าไม่มีไม่เอาไก่ครับค่อเดิอไปแบบนี้ไดครับคือนะ ในี่วงที่มาเช้าเย็นกับหลายๆวันนี้สิเป็นไงบ้างองคพระจ่ายแล้วก็องค์ผ่านวลทั้งสององค์แล้วก็องค์ที่กิจกรนี้ไม่ตอช่างจุเตียเจ้าค่ะไม่ใช่พูแวเตียแสนอารมณค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มามีโอกาสเข้ามาฝึกน่าจะ ครั้นแรกแ บ, บ่ความฟุ้งมาเต็มเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้สติ ก, กลับไปละออสิ่งที่เราได้รับมาเพราะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวจากผลกระทบข้างนอกค่ะทั้งผู้คนแล้วก็ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะรับเป็นอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วก็เป็นคนที่ปล่อยวางไม่ค่อยเป็นคันแรกก็เลยอทุกข์มากหลังจากนั้นก็ได้รับคำคาสอนจากพระอาจารย์แล้วก็จากกัลยาณมิตรทุกๆ ท, ท่านที่ได้รับฟังของแต่ละท่านแล้วก็พยายามเอามาปรับเข้ากับตัวเองพอมาครั้งนี้นี่รู้สึกสบายขึ้นค่ะไม่รู้ว่าทำ่าได้หรือไม่ได้เป็นยังไง แต่สำหรับตัวเองรู้สึกว่าออเรามาครันนี้เรารู้สึกมีสติมีสมาธิในการรู้จักยังคิดยังทาเพราะว่าเหมือนที่คุณครูเอบอกหลังจากที่เออรี่ออกมาแล้วก็เข้ามาอยู่กับกลุ่มรักสุขภาพกลุ่มรักสุขภาพก็จริงแต่ว่าบางทีบางครั้งบางข่าวก็สุขภาพจิตภาษเาเนือสุขภาพจิตหลบเหมือนกัน ก็ต่างคนต่างมาเราไม่รู้จักกันในหมู่บ้านค ร, รูสภานี่เป็นหมู่บ้านที่รวมค่ะไม่ใช่เฉพาะครูมีหลายหลัอาชีพค่ะแล้วก็พอเรามารวมตัวกันอยู่ก็แน่นอนปัญหาแต่ละคนปัญหาแต่ละท่านเราต้องเรียนรู้กันไปทั้งเรื่องการออกกําลังกายแล้วก็เรียนรู้จิตใจของแต่ละคนค่ะแล้วก็ พอตอนนี้เรามาเริ่มเป็นจิตอาสาของเมนหมู่บ้านก็ยิ่งเจอปัญหาขึ้นมาอีกมากมายเลยว่าอู้ไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะมามาหาพระอาจารย์หนูได้ไปเรียนที่เขาเรียกว่าสายขององค์หลวงพ่อวิริยังค่ะพุทโธพุทโธค่ะ ตอนนี้ทุกสัปดาห์ที่จะไปเรียนที่วัดป่าดาราพิรมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไปมากและไม่ไหวละรับผลกระทบได้ง่ายมากค่ะและทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาหากทะอาจารย์ได้มาขอรับคำสั่งสอนคันชีแม่จากสี่ห้าวันที่องค์หลวงพ่อไดเมตตากันคืนพวกเรายังไม่ได้มาแต่มาเฉพาะกันวันนี้ ยมก็รู้สึกว่าก็ได้อะไรหลายๆอย่างค่ะรู้จักที่มาที่ไปแล้วก็รู้จักรับมือแต่ไม่รู้ว่าอะไรได้หรือไม่ได้เงแต่รู้สึกตัวว่าอ๋เรามีจุดยืนนะเรามีจุดที่คิดได้แล้วนะว่าสิ่งนี้เราจะรับมื อ, อยังไงสิ่งนี้เราจะแก้ยังไงจ้ค่ะแล้วก็การสอนยดอดอก็จะพยายาม เอาไปปรับเข้ากับการที่ไปเรียนที่วัดปาดาอาที่ลงเพราะว่าสิยอมคิดว่าโดยโดยรวมแล้วก็คือจุดหมายอันเดียวกันคือสอนให้เรามีสติสมาธิแล้วก็การต่อยอดก็คงจะทุกเช้าทุกเยนก็กราบพาที่บ้านเข้าข้องพทที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็หวัง เป็นอย่ <c ười> ิ่งว่าโอกาสหน้าคงได้เข้ามากรากพระอาจารย์อีกนะคะโอกาสที่เมาเข้าคอร์สด้วยมาเข้าคอร์สจับพยายเรียนทั้งสํานักเนี่ยอ่าพระนางปิตาบุหามเนาะเดิไปเดินไรามุย้อยุคเร่งมสวยงามขึ้นเยอะเลยเ็ต้องแอบไปดูคนมีสติเรามุ่ย้นยุคเลยแบนี้ลยเเป็นครูนาด้วยเลยไหมค เออก็ต้องเอาไปบอเว่วันนี้ก่อนนงวงหรือหลังนะงวงมันต่างจังหวะมันก่อน5นาทีเองนะต้องต้องทำอางนั้นด้วยนะเพื่อจะได้บุนงนกวันนี้จะคุณมวเจ็บขาก็ได้จะบอกแต่ท่าท่าเต้นแล้วก็ตัวเองก็เดินจงกงที่หูไปอยู่ันนั้นคุณแมวนะ อันนี้คนตั้งใจพอสมปวด็นไงบ้างมาเดินได้สองสามวันสิ่ห้าวันที่ช่วยไปเช่าเรียนกลับกกลับไปบ้านมนวันถายจบปวดก็ได้ยังอยู่ท่านไม่ฟังการนมมัติการของพ่อนะคะแล้วก็ูุโอบและก็เนม่ชีพญานิษฐกับท่านค่ะทงนี้เป็นคำที่สองที่เข้ามานะคะทั้งแรกก็พี่บอกว่า เป็ถึงก็ไม่ถึแต่หน้าหลวงพ่อต้องได้กลับมาต้องได้กลับมาชิบค่ะก็ครั้นี้ก็มีประศักดกับตัวเองคือปวดขาซึ่งอาการปวดขานี้ทําให้เวลาที่ผมจะนั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติท่าย่างไรมันก็ยังไปอยู่ที่ขายอยู่ดีค่ะก็เลยนั่งรับเพียกไม่ค่อยได้นั่งสมาขัดสมาวก็ไม่ได้ก็เลยทั่งที่ นั่งที่เก้าอี้ปุ๊บ ก, ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายแต่พอผ่อนคลายไปนั่งทางไม้ทงมือไปจิตมันหลับค่ะรู้สึกว่าตัวเองสงบก็จะดุ้งตื่นมาทุกครั้งถ้าไม่ไหวก็ก็ยามเดินเดินเท่าไหร่ก็เดินไม่ได้ก็จิตก็ยังอยู่ที่ขาอยู่เหมือนเดิมสามสี่วันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งพอมาเมื่อวาน ตอนนี้หลวงพ่อให้มามาสงกอารมณ์ของตัวเองช่วงบ่ายก็ก่อนก่อนหน้านั้นคือจะได้หนังสอของหลวงพ่อมาเล่นนึงนคือเล่นเล็กๆที่อสอนวิธีการเคลื่อนไหวมันก็เลยอ่านตัวนั้นก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีอยู่คำํำหนึ่งที่ว่านิวรนทําให้เราเกิดทุกข์ใช่ไหมคะมันก็เลยว่าเอ๊ะตัวหนูเนี่ยมีนิวรนตรงไห น, นก็เลยสังเกตที่ขาก็เลยดูดูว่า ถ้าหนูจะตัดตรนี้ออกโดยที่จะเดินไปแล้วขามันจะหักก็ให้มรนหักตรงนี้แล้วก็พยายามเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าเอสทาไมตัวหนเบาขึ้นหนูไ ม, ไม่ไม่เจ็บขาข้างนี้แล้วก็เลยรีบเดินใหม่เมื่อวานนี้หนูเดินอยู่ประมาณสักเกือบสองชั่วโมงหนูไม่รู้สึกเจ็บขาหนูก็เลยถามหลวงพ่อว่าหนูมาถูกทางหรือเปล่า แล้วหนูก็เกิดความปกติว่าไอ้หนูทําได้แล้วหนูมีความตื้นกันค่ะตื้นตัจใจเฉลดน้ำตาจะไหลขึ้นมาค่ะแล้วทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าหนูมาทั้งเนี้ยหนูหนูไม่เสียเที่ยวเลยที่หนูมาแต่ถ้าครั้งต่อไปจะต้องมาอีกแล้วหนูจะต้องมามาเข้าคอร์สที่ได้ค่ะในช่วงนี้คือหนูต้องดูแลคุณแม่นะคะเพราะว่านั่นแก่แล้วก็เลยต้องขออนุญาตไปค่ะ คราวที่แล้วพุทนาพยายามที่มาเช้าเยกับใีสก็บุญช่วยช่วยให้มาเข้าคอที่มาเช้าเยกับเพราะว่าพระสวามีพุรีย์เ็นทีบุญถึงเที่ยวที่ออไปเนี่ยยงแหวว่าคงจะได้มาเข้าคอรพุทานาแต่มาสังเกตวัาคนไหนที่ดูแลพ่อแม่ดีเนี่ยเาจะมีบุญสดในส่วนนี้นะได้ได้เข้ามาภาวนา นั้นความแตูเนี่ยมีผลอย่างมากนในการช่วยแล้วก็ขายท่าปวดปวดมาน้ำมันให้ไปวันฝนได้ใช้หรือเปล่าใช้ค่ะซื้อไ <5 S 2> ปห้าขวดเลขมา้าขวเลยส่แล้วก็ก็เกิปีตีเพรอาศัยตัวงวดดันั้นเป็นเป็นตัวอารมณ์ถึงจริงๆนะฮะในที่สุดมันก็คลายไปถูกไหมตอนนี้มันกลับของปวดมันเดินเนี้ยก็ถ้า ถ้าคิว่ามันปวดก็ปวดตลอดถ้าถ้าเราคิดว่าจะเดินต่อไปโด อ, อที่จากตบนี้เป็นที่ตั้งจะจะต่อสู้เพราะว่ามันจะแว็บซ้ายแวะขวาเข้ามาตลอดค่ะมันก็จะดูว่าจะเจ็บใช่ไหมเจ็บฉันก็จะสู้ไงค่ะแล้วก็ทนได้ค่ ะ, ค ะ, ะทีของเราเรามีอำนาจถ้าเราตั้งใจแล้วทีจากตั้งใจแล้วเป็นพลังในการยืดหยุ่ได้ที่ต่อไปก็พัฒนาไปเป็น อุจิเยรพลเป็นขีาสามาแทบทุงานก็เป็นภาระในการรับมือเบียนในการจัดการทุกอย่างว่าเป็นการเสียสราอย่างสูงแล้วก็บังครัก็มีเวลาได้ปฏิบัติเพราะะนั้นกกหัหน้านั้นมีประสบการณ์อะไรมางรี่ิต้องปรับมาถึงการปฏิบัติ ก็ช่วงพรรษานี้ก็มาปฏิบัติที่วัดนะฮะอาจารย์พรรษาเลยอธิษฐานกินว่าจะอาจารย์พรรที่วัดตลอดสามเดือนนะคะแล้วก็ช่วยงานหลวงพ่อนี้ในการทํางานเนี่ยเราก็จะเอางานเป็นสนานปฏิบัติพราะเมื่อก่อนจะคิดว่าการภาวนาคือต้องเดินอยู่บนทางตรงกลมเก็บอารมณ์ไม่พูดไม่จากับใคร่ ที่ทําอย่างนั้นน่ะก็พบว่ามันจะเพ่งมันจะติดเพ่ น, เ น, เพ น, นะก็ทำให้เสียเวลาก็พอตอนหลังเนะี่ยก็ไม่เซ็นเจอร์กับแทนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพบว่าให้มาเก็บมาลง45วันเนะี่ย45วันมาก็พบว่าหลวงพ่อไม่ให้เงินจดีกองเลยให้ใช้งานนะใช้ทํางานโน่นทางนี้แล้วก็กระแทกแบบแรงๆเลยกระแทกแบบ อย่างตางหมอเนี่ยปั้งปีตีตากตุ่หลังคาพระท่าตซึ่งมันบางทีเราคิดว่าพร ะ, พระ่านมันต้องศีรษะศีรศีรษะศีษะเนี่ยนกอนตอนแรกก็ขัดแรงนะทีทาทกคะเกงก็แต่ว่าผู้คาพูดของหลวงพ่อเนี่ยจจ ะ, จ ะ, จะน้อมมาว่าพูดอย่างนี้ประโยคนี้สอนอะไรเราแล้วเราไปทำแล้วเราก็จะเพียสภาวะนะสะภาวะตื่นรู้ที่มัน มันจะเป็นมันละเอียดเรื ẻ, ่อยๆเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเระหลวงพ่อสอนเนี่ยมันจะเป็นสเตจตั้งแต่อานุบาลขึ้นไปเป็นสเต็เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นช้นแล้วมันจะเลื่อนชั้นที่ตัดสินใจมาว่าสามเดือนนี่คือตั้งใจว่ามันจะมีชั้นไหนเนี่ให้เราได้เรียนติดเนี่ยก็เลยมาตั้งใจแล้วก็มันทํางานแล้วก็มันเจอผู้คนมาเห็นผู้คนแล้วก็ก็น้อมมาหาตัวเองมันก็จะเห็นความผิดคลาดของตัวเองเรื่อยๆ ยิ่ปฏิบัติก็ยิ่เห็นความชั่วของตัวเองพอเห็นความชั่วของคนอื่นก็ไม่เห็นของตัวเองชั่วกว่าเยอะกว่ามันก็จะยืนนี่เราก็ต้องกแก้ปรับแก้แ ก, ก็ทั้งกายอ่าทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรเนี่ยหพยายามกลับมาให้สมดุลหลวงพ่อจะให้เน้นให้มันเริ่มที่กายก่อนก็ปรับสมดุลทางกายแม้แต่ท่าเดินเนี่ยก็ต้องหา ổ, ความสมดุล ความหนักเบาการถ่ายเทน้ำหนักการก้าวเนี่ยหลวงพ่อจะตามให้ดูมาเลยคือหลวงพ่อจะลุยจะลุยไปแล้วเราจะตามไม่ใช่ว่าท่านมาบอกแล้วก็ให้เราทำเองไม่ใช่คือทาำมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะที่จะปฏิบัติพอมาไปแบบอย่างนี้เราก็เลยว่าเป้าหมายอ่ะมันคืออะไรแต่เมืก่อนมราคิดว่านิพพานมันเป็นเมืองศักด์สิทธิมันไม่ใช่มันไม่ใช่คะ ม, ม, ม, ม, ม, มันก็คือทํายังไงเนีย่ย เราถึงจะไม่เห็นทุกข์ของเรามาเห็นว่าจริงๆแล้วน่ะทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงอ่าเราจะแก้ยังไงแล้วมันดับยังไงแล้วมันจะยกจิตของเราให้อยู่อยู่ขึ้นเหนือทุกข์ยังไงเหมือนเหมือนคนคุณแมวบอกว่ามันทุกข์เนี่ยเราจะยกจิตขึ้นยังไงพอจิตมาอยู่สภาวะปัจจุบันเนี่ยทุกข์มันจะลดลงทุกข์มันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนทีนี้มา่ก่อนจากที่เป็นแบบว่า พุงซ่าอะไรมากเหรียมันก็จะตัดแล้วมันมาก็ตัดมาก็ตัดก็มันก็นกลดลงเรืเ่อยๆก็ก็ได้อยู่ตรงนี้ได้ช่วยคนเนี่ยมันก็แต่ละคนเนี่ยเป็นผัสสะให้เรามันจะเป็นปอุปกรณ์การสแกนเนีของเราเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมาหลายรูปแบบแล้วเรามาอยู่ตรงกลางที่ช่วยางานหลวงพ่อเนี่ยคืออยู่เชื่อมระหว่างศีกับหลวงพ่อเนี่ยมันจะมาที่เรา ถ้าเราวางใจไม่ถูกจะเห็นแนบหลายรอบะเแต่ก like ็ได like i̇şte oh ้ข้อคิดจากหลวงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การที่เราทําตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นเลยแต่ว่ามันทําเพื่อเราเพื่อขัดเราจิตของเราก็เลยก็จะทําต่อไปก็ยังไม่ทราบวันจบตอนจบเลยนะคะก็บางทีก็มีเออก็จะได้พอบ้านนี่ก็อนุญาตมา ก็ตั้งใจต้องขอบคุณพะบ้า่อันส่งอันนี้ก็อยากจะให้ยกคุณให้เขาหมด เ, เลยให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้แบบเราบ้างก็ ก, ก, งาการมาสการว่าในการเห็นความไม่ดีของตัวเองนีมันมันเห็นแล้วนาไปแกไ้ไขเองเรื่องมั แค่ไปทุกเรื่องะขาดยกจะเอาอาน้องมันแค้ไขตลอดคือตรงนี้มันตรงกับทิพย์พจารณาถึงแต่ว่าเราจะละสิ่งใดเราต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นก่อนถ้าเราพยายามจะละสิ่งใดถ้าเราไม่เห็นโทษมันจะละไม่ลงหรือละไม่ทิ้งเดี๋ยวไมันจะกับไปทําอีกเราจะละราคะได้ต้องเห็นโทษของราคะยังเจ็บปวดที่สุดก่อนเมื่ถึงนั้ราคาได้เราจะละโสดได้ต้องเหโทษของโสดที่ดึก แต่ใครมาบอกว่าโทษทัพ์ไม่ดีอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเราไปถูกลยดีไง sí ่านมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนมาเท่าไหร่เราก็เคยชื่อท่านเราอุบายการที่เาที่สุสอนมาวัเท่าไหร่ว่าความกลม่ีความโลภไ่ดีความโกรธไม่ดสอนนหนที่แต่เราเคยได้ไม่ได้ไหเพราะอะไรเพราะท่านบอกแต่เราไม่หโทษด้วยตัวเองเรียว่าไม่เกิดปัญญาที่โทษด้วยตัวเองนะตรงนี้เขาใช้คาว่าอะไรนะปัญญาญนะปัญญาญเห็นภัยญาญภัยอง ขตัวเองมุ่งที่กับมัจจยายินไพตัวนั้นแล้วก็อยากจะพ้นไปจากมันอ่ะเห็นความไม่ดีของตัวเองอยากจะพ้นไ้งเกิดเป็นญาณชีนันยายสิบหนความไม่ดีของตัวเองก็เห็นว่าอยากจะพ้นไปจากนั้นเป็นญาณีตถ้าหาว่าใครมาถุงนี้ปั๊บเนี่ยเรียกว่าวิปัสนาหรืนเรื่องเฉลิมแล้วถ้าแับไปก็ไม่เห็นความอันตรายของตัวเองได้ไม่พยายามทีจะัก เราให้ปฏิบัติไปกาลนานขนาดไหนก็ยังไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นที่เราให้โอกาสจะมาเข้าปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณรู้ตัวเนี่คือให้เกิดปัญญาเห็นความอะไรที่เวลาฆ่าโทสะมหะหรู้วิสัยที่ผีที่เรามีเนี่ยให้รู้จักแลก็เห็นมันถ้าเราไม่รู้จักไม่เห็นมันเได้ว่ายังไม่ได้ดวงใจนิธรรมได้ดวงใจนิธรรมคือได้ตัวเรามีทั้งสุขทั้งผิดมีทั้งช่วทั้งสุทั้งทุกทั้งบุญทั้งบาปแต่ส่วนใหญ่เราเห็นข้างเดียว เหนแต่ที่ดีแต่ชั่วเรามองไม่ค่อยเห็นบางคนจเน่ชั่วแ่ีมองไม่ค่อยเห็นเมองถี่ั้งมุแล้วมันแค่เกิดปัญญาขึ้นมา้ว่าถูกสัผิดี่เราจะเออะไรมันจะเกเลือกแล้วก็ตัวสัญาญาณเนี่ยมันจะไม่เลือกมันจะไม่เลือกในสิ่งที่ไม่ปรกใจมันจะไม่เลือกสิ่งที่ปูกใจแต่พอมาเกิดญาณนี้แล้วนี่มันจะนามาใช้ทัสองอย่าง ตัวที่ไม่ดีตัวทุกขก็จะแก้ไขตัวดีแล้วก็จะนํามาพัฒนายานปัญญ า, าก็จะเริ่มเติมตขึ้นไปเรื่อยๆตัวที่มันจะเรียกใช้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจิตเข้าใจในี้จริงๆมันก็ ง, ง่ายขึ้นในการก้าวหน้าก้าวต่อไปก็คือการนี้ที่เรียนยานทีใช้ตึ้งความไม่ดีหรือบามบาปท่านก็เลยอยากปาบและอิยได้ยิ่ง ไ, ง ไ, ไปบาปท่านต้นที่สุดคืออะไร คือตัวเสกความสบาบาปขั้นที่2ถ้าสติไม่มานตัวเสกความสบายก็เป็นความเพลินในความสบายบาปขั้นที่3เกิดแล้วยังไม่มีสติปัญญายังไม่รู้อีกมนันก็จะพัฒนาไปเป็นตัวตีใจตัวตีใจแล้วถ้ามัมีาณ ป, า ป, ปัญญาเข้าไปดูมันจะพัฒนาตไปเป็นตัวอย่างตัวอยาบตัวไข่า ย, ยาบ ตัวข้ายาเกิดขึ้นมาเรายังไม่ราบรู้อีกมันก็จะมาเป็นพุ้งยึดในความสบายในความอร่อยนั่นยแล้วยังกันละไได้เราไม่เห็นครอบครองครอบครองมันก็ยม่ยุตัวเป็นครอบครองมันที่สุมันก็จะเป็นบาที่ละเที่สุดใช้ว่าการมันสวัซึ่งมันจะพัฒนาเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างคนมีหลเป็นชิสั้นชิ้น่ที่เราจะเห็นใขั้นไหนในอิย สิ่งที่น่ากัวอเนะียเพราะฉะนั้นความช่วยเห้ายมัสีสิงเดือนนะเป็นเป็นสิ่งสิ่ันี่สิันเดลาด้าอันนหยตรนั้นจะบอกเป็นยานแต่ะขั้นขั้นั้นนนนนไปเป็นสิบงขั้นในแต่ละล่า็นนะเป็นยานสบหในที่สุดอันสุดท้ายมันบอาว่าพเจะเวทคณะยาว่าให้ความช่วยหลลายเดยลดได้หกับมุี่ตาในมุนั้นได้จิงหรือเปล่ายาสุดท้ายเดาได้จรงหรืกเปกล่าตรงนั้นในความ เห็นครเราเห็น้ั้วันนั้นอยู่นี้คุณจีก็เป็นพัะธาต่อดนะไม่ใชนีคนสอบประเด็นใกล้ควาปสุมเองกันเด็กบอกบอ่ีของเได้ไเลยนะรจะให้เราไม่สมบัติรับมวลนาด้วยต่อไปก็หยุดน้องเป็นคนสุดท้ายดีสองประเด็นประเด็นแรกกล่าวแต่งานด้วยอารมปฏิบัติประเด็นที่สอกล่าวแสดงงานได้ความเป็นปริมาณของคนนี้เป็นยังไง จึงก็เลยจะได้กล่าวความถวายผลาญมงคลของคต้องการมีพระหาศอนชื่นคขอบพระคุณหลพ่อขายอีกให้โอกาสค่ะก็วันแรกก็กระเจิงกระเจิงหลวงพ่อทำเพราะว่าญาติโยมญาติพี่น้องมาไม่พร้อมกันเนาะแล้วก็เข้าที mothers, ่เข้ามันยัไ <th> ม่เข้าที่เขาทางพราั้นก็แทบจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะะก็ พอวันที่สองกับวันที่สามที่เราปฏิบัติรวมกันนะหลวงพ่อก็รู้สึกว่าการปฏิบัติทั้งนี้มันทำให้เราเราเห็นเห็นความหนักความเบาเนี่ยชัดขึ้นมากพอวันถัดมาที่หลวงพ่อให้เก็บอารมณ์ค่ะก็หลวงพ่อตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสองชั่วโมงนี้จะไปลุกออกไปไหนในภาคเช้านะคะ ก็สามารถทาได้นะคะแล้วก็ภาคชาวนี่ยหลวงพ่อให้ให้จะไม่ได้ให้เดินให้นั่งให้นั่งนะคะก็สามารถนั่งได้สอชั่วโมงไม่มีปัญหาอะไรมีความง่วงแต่ก็สามารถที่จะใช้ท่ากายบริหารของหลวงพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหายใจหรือ ทำปริหารเนี้ก็จะทําให้เราง่วงหายไปได้แต่ว่าพอช่วงบ่ายค่ะพอช่วงบ่ายวันนั้นอาหารค่ะเอทุกทีเราเคยสั่งน้ำเต้าหู้มาวันนี้เราอยากจะทําให้มันพิเศษก็คือทำเต้าหู้น้ำเต้าหู้งาดําเด็กเขาก็ไม่เคยทําแล้วเด็ ก, กไม่เคยทําก็เลยใจ ม, มันเห็นใจนะหลวงพ่อ จะไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีพอแจงเพียวมานั้นแหละค่ะก็มันได้โอกาสค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันสู้กระใจอยู่เราเห็นความอยากของเราแต่ที่สุดมามันก็ชนะค่ะก็ออกไปทางานเจ้นะครัออกไปทำงานเจ้ามูม่นะครับก็ทำตำนานเจ้ามู่วันนั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่ส่บไม่สอบ อ, อันดูเพราะว่า ไม่ไม่ไม่เห็นําอะไรเนี่ย น, นะคะก็ก็หลวงพ่อไม่สอบอารมณ์มีอารมณ์จะสศกอยู่แล้วพอวันถัดมาก็อได้ได้ เ, เปลี่ยนสถานที่เนี่นะคะก็เป็นสถานที่มาอยู่ตรงศาลาเล็กศาลาเล็กตรงนี้นะคะแต่วันนี้หลวงพ่อเมตตาถ้าจะเห็นปฏิบัติค่อยตั้งใจปฏิบัติแต่ก็มีความง่วงมีเห็นความง่วงเห็นความเบื่อ เห็นเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาชัดเจนนะว่ามันเบือมันไม่อยากทําะคะแต่เรื่องความม่วงงานของพ่อมันมันเริ่มเห็นท่านแต่ตาตามันเริ่มเจริญแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะม่วงแต่รู้สึกว่าเรานิสัยไม่ดีค่ะก็ก็ยอมให้มันมาเป็นแผลค่ะยอมที่จะม่วงยอมที่แบบรู้แล้วนะว่านี่มันเตือนละแต่เรายัง เหมือนการเล่นกับไฟอะคะ่ะบางทีมันก็เลยแบบมันก็ไปแบบในความห่วงค้าที่เรารู้ถ้าเราถอนตัวออกแตตรงนั้นทานเนี่ยเราก็สามารถทําได้แต่ลราไม่ทำอันนี้คือวิสัยที่ไม่ดีและมันยังติดมาจนถึงเมื่อวานเสร็จแล้ว อ, อพอถัดมาปุ๊บนะคะก็ได้มีการแบ่งปันสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยให้กับท่านอื่นๆก็ไปอยู่ที่หน้าบ้าน ตะวันผ่านดาวนะคะตะวันานดาวช่วงเช้าก็สามารถเดินนั่งได้สชั่วโมงไม่มีปัญหาอะไรนะคะพอช่วงบ่ายก็ตั้งสัญญาอธิฐานเหมือนกันนะคะว่าจะจะไม่จะไม่ออกจากบริเวณนั้นยกเว้นจะไปเข้าห้องน้ำ น, นะคะหรือว่ า, า ไ, ปไปเข้าน้ํา น, นะะ้ำหรือหินน้ําเสร็จเตะน้ําหมดก็จะไปตักน้ําแค่มากนั้ น, น, น, น, เ, นเราจะไม่ไม่ออกจากที่ที่เราอยู่ ก็อยู่ตรงนั้นมันค้าขายเจริญรุ่งเรืองคุณหลวงพอ่อแขกเยอะมากก็เลื่อนถึงคําสอนของหลวงพ่อที่เคยบอกว่าถ้าเราค้าขายนี่เราจะต้องไปเลือกที่ลูกค้ายเยอะๆอ่อนนี้นลูกค้ายเยอะสนใจนะคะก็เห็นความและบังเอิญได้ฟังหลวงพอ่อให้อารมณ์ขอบคุณพิเชียนเรื่องของความอยากวันนั้นก็เลยเอาเรื่องของความอยากไป ไปที่เจร า, น า, นานต่ อ, อาค่ะว่าตอนที่อยากไหมและเราเห็นความอยากแล้วเราจะทําหรือไม่ทําถ้าเราจะทําเราจะทําด้วยด้วยความรู้สึกตัวค่ะก็ลดที่มาคนที่เดินไปเดินมาหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่สุดเลยพอมันมีภาษาเข้ามากระทบที่เราได้เรียนรู้คือมันอยากขึ้นมาทีทีอยากขึ้นมาทีทีแล้วอยากจะดูเพออยากจะดูพวกเราเพาเรากาหนดอย่างเนี้ยเรารู้สึกตัวปุ๊ เราก็จะเห็นการเคลื่อนของของตัวของเราหรือการที่เราจะมองอะไรเนี่เราจะเห็นความรู้สึกตัวที่มันเคลื่อนไปค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอาจารย์เกียวก็ยิ้วขอมาสองอสองอันใหญ่ๆเลยนะคะรู้สึกว่าหนักมากใจก็บอกว่าไม่ออกไม่ออกนะคะอาจารย์เกียวเขาเป็นจิงอาสาเขายิ้วดายยิ้วดานะคะก็ให้อาจารย์การยเกียวผ่าหน้าไปมันก็ชนะอยู่นะคะรู้สึกตัวกลับมาอยู่ อีสัปดาหหนึ่งรถเก่งคอนเด้ปุ๊บมาจอดนะคะลูกค้ามาใหม่แล้วสานท่านนะคะแล้วลูกค้าสาท่านนี้เป็นลูกค้าวีไอพีคะหลวงพ่อถ้าจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัตว์ประวติธรรมแทบจะไม่ได้เพราะว่าเป็นว่าที่ของลูกสภาไปหลานสะพ้ายนำว่าที่ของแม่ยายเพื่อเป็นการเจอกันครั้งแรกมาพบอย่างเงี้ยนะคะก็เลยออกมาน ะ, ะออกมา แล้ววันนั้นแ่ตอนเช้าหลวงพ่อเทศบอกว่าให้ไปอยู่กับแขก 30% และอยู่กับตัวเองเนี 70% ก่อนจะออกมาก็ตั้งมั่นนะคะ 30-70 แ0 7 0พอมาจริงๆนะคะหลวงพ่อมัน 70-30 แล้วมันก็หมดเนื้อหมดตัวนะคะไม่ใช่อยู่ที่แค่ 70-30 นะคะครั้งแรกตั้งใจแค 30, ่ 30-70 ตอนใหม่ๆอยู่ก็ เจสสิ่เขาเจดสิบอยู่เราสามสิบพอรู้อยู่ว่าสุดท้ายหมดเนื้งหมดตัวนะคะหมดเนื้อหมดตัวค่ะมมหมดนื้อหมดตัวแล้วก็ของอจากนั้นก็ของเมื่อวานนี้ก็ยังคงรักษาเป็นที่เดิม น, นะรักษาที่เดิมช่วงช้าก็ไม่มีไม่มีไม่อะไรคะ่ะก็ก็สามารถที่จะเห็นเห็นความอยากเหมือนกันเมื่อวานนี้ เ, เราจะเห็นความคิดว่า อ, อ๋หมอนาวจะไปอยู่บ้านประตั น, นยู่นะคะแล้วก็จากนั้นปุ๊บตรงนั้นแน่นจะสงบดีอีสปาร์กในบริเวสิบักต้นไม้ใครตัดนอตัดอะไรเนี่ยผู้ปฏิบททัติธรรมกําลังปฏิบัติตัดแอดตัดว่าเมื่อใดจะหยุดตัดจะเตือน ม, มีต้นไม้อะไรให้ตัดนักหนามันอยากเลยละคะเราก็อยากไปดูว่าใครจะตัดอะไร วันตัดอะไรก็ได้มา ก, ก็ได้โอกาสก็มีปวยท้องอยากไปฉี่ก็ไปห้อ ง, งน้ำก็ไปชะโงงดูนิดนึงก็เห็นจ้าบิดตัดต้นไม้ไไมเราก็เก็บข้อมูลแล้ ว, ลวาาก็มาปฏิบัติต่อ ต, ตอนกลางวันพ่อให้ไปทานอาหารที่เฉพาะตนพอทานอาหารที่เฉพาะตนเสร็จเรียบร้อก็มาหามเขาตัดต้นไม้ตอนคืนนี่นเดินจะมารับอาหารบอกว่าตัดต้นไม้จะทํำลงรถ อเขาไปทำลงลถเนาะไปตัดต้นไม้สากทำลงลถอ่ะก็เลยเอจะไปคุยกับกับน้องก็ยังไงดีเนาะว่าว่าทำได้แต่ว่ารอนายหน่อยดีไม้ให้นายมาช่อยดูแบบอะไรให้พอทานอาหาร ทอาหารทานไปมันก็ได้มีอยู่นะใกล้ครัวที่เราจะได้ใช้คําพูดที่ที่ไม่บาดตาไม่บาดหูบาดใจต่อการได้กางก็บอกว่าอ๋อดีแล้วทำแต่เดียวนะนายเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะดูแล้วก็มีมุมบอกทีๆดูรถเนี่ยลองดูก่อนเราเราขึ้นสอบไปก่อนเขาบกว่าเขาก็ต้งใจตั้งใจจะทําแค่นี้แหละนะคะก็ก็ทำให้เราเห็นนะคะของพ่อว่าการปฏิบัติที่แก้จริงเนี่ย ม, มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบเท่านั้นมันสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาขัเาเดเกลาตัวเองไดเ้เราจะเห็นความไม่มีสติของเราอย่างเช่นว่า เ, เห็นร่มที่มันขวาทางในเดินจุ่มปงด้วยความที่ไม่ไม่นุ่มนวลไม่รอบครอบเพียงพ อ, อ, อไม่ได้รู้ให้รอบว่ามันมีอะไรใตโ้โ่มอย่างนี้นะคะ มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ย้อนกลับมาให้เราว่าเราจะต้องอกลับมาให้ให้ระเนียร์รหมักับสิ่งที่เราจะทําไม่ต้องรีบและวคำสอนของหลวงพ่อที่ที่มากอันนึ่งนะคะก็คือว่าไม่มีคําว่ารีบไม่มีคําว่ารอทุกขณะเป็นการปฏิบัติเพราะตัวเองเนี่ยจะจะรีบอะคะรีบที่จะออก ม, มา ตอนนี้ไม่ได้เรียกอย่างปฏิบัติค่แต่ว่าเรียกเป็นห่วงกังวลเรื่องอาหารเรื่องนู่นเรื่องนี่นะเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้คือการปฏิบัติในขณะที่แปลงฟันอยู่ก็บอกอันนี้คือการปฏิบัติก็จะสอนตัวเองแล้วก็เวลาอาบน้ำก็บอกว่าอันนี้คือการปฏิบัตินะก็พอมันหลุดไปปุ๊บเราก็จะใช้คำนี้มาเตือนสติตลอดเวลาแล้วเรื่องของการออกกําลังกายก็ได้รับ ความกระงนรุนใจหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อถามน้อบอกว่าเราทำแต่เราไม่ทำเต็มที่ค่ะแต่พอใน 5, 5วันนี้เนี่ย 5, วันเนี้ย ก, ก็ทัดเต็มที่2ีสครั้งการที่หลวงพ่ อ, อ, อแนะนำแล้วก็ก็รู้สึกว่ากำลังแขนของเราที่ก่อนเนี่ยมันมีไม่เยอะที่ต่อเท้ า, าไปเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะวาที่ส ที่ที่ต้องเอาแขนเท้าแล้วก็ยกตัวขึ้นเนี่ยตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยมันจะปวดมากตรงต้นแขนทางด้านขวาเลย ท, ทำได้ไม่กี่ครั้งแต่ตอนนี้มันก็สามารถค่อยๆกลับค่อยๆไม่ต้องเร่งมันก็ทำได้เท่าไหร่ทำได้เท่านั้นทำได้ด ค, ครั้งแรกได้แค่5้ากครั้ง พอค่อยๆทำไปนิดนิดตอนนี้ก็ทําได้ถึงยี่สิครั้งโดยที่แขนข้างสอง ม, มันเหมือนกับว่าเวลาเราเหยียดไปมันจะบิดต้นแขนแกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะตอนนี้ก็สามารถสามารถทําได้แล้วก็มีโอกาสไปไปพบหมอเรื่องกระดูกคอตรง น, นี้นะคะท่านก็บอกวให้เราทําได้ให้เราทําให้มันเบาก็เอามาปรับหาสมดุลกันตัวเองแล้วก็ขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่เมตตาก็กรุณาให้พระหมอ ได้บบอธิบายให้ให้เราเข้าใจถึงถึงการออกกาลังกายทีท่ีนี้ว่ามันมีประสยชน์อย่างไรบ้างนะค ะ, อ, ะอันนี้ก็คื อ, อการปฏิบัตินะคะหลงพ่อมันจะมีการการเดินจงกรมเนี่ยจะรู้สึกว่าเดินได้นานสองชัง่วโมงเนี่ยมันจะมีแค่แค่ห่วงกับฟุง้งและก่วงไม่สามารถแก้ไขได้แต่ฟุ้งเนี่ยยาง ควคิดเนี่ยอย่างเนี่ยแก้ไขได้ไม่ไม่เยอะอค่ะแล้วกอย่างไปจงกับมันแล้วก็อย่างตามมันไปบางครั้งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของความฟุเรื่องขอ ง, ของการคิดนะะอ่าอ่าสำหรับเรื่องความง่วงเนี่ยคิดว่าถ้าเราไม่เล่นกับไฟเราสามารถตัดตัดตั้งแต่ตน้นลงเนี่ยทาได้แต่ว่าเราที่สายเสียเองเรื่องของความง่วงนะคะ การเดินจงกรมถ้าสมมุติว่าเราเดินแต่ดูความหนักความเบาเนี่ยมันมันจะทำให้เราเห็นเพาะการเคลื่อนนะคะก็เรก็รู้สึกว่าดีจะเดินจงกรมได้สำหรับเรื่องของอเวลาฟังหลวงพ่อหลวงพ่อเทศนะคะหลวงพ่อให้ ก็จะรู้สึกว่าหลวงพ่อให้เยอะจังเลยให้มากมายแต่กองทานไม่ได้อะไรมากมายทำไมหลวงพ่อมันหลวงพ่อเอาอะไรมาพูดที่มันออกมาได้ยังไงเยอะแยะมากมายอย่างนี้เราทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าจะปวดหลวงพ่ออย่างเนใจว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยขอเอาแค่ยกมือแล้วก็เอาเอาที่เต้นไปอย่างนี้นะคะเอานิดลิบแล้วให้เอาไปปฏิบัติเลยวันนี้ก็จะขอหลวงพ่อแม่ตาวว่าหลวงพ่อขอ ขอกันบ้านทือกุ๊กเช้านะคะเอานิดๆและเอาไปทาเยอะๆไม่เอาเพราะเรารู้สึกว่าสมองเราเนี่ยไม่ทานหัวข้อแล้วเราก็ไม่มีปัญญาแยกคายมีความรู้สึกคุยกับคุณพี่แม่ชีว่าหลวงพ่อนี่ไม่รู้ปัญญามาจากไหนนอาหลังไหลออกมาม า, มากมายเราฟังของพ่อที่เราไม่รู้เรื่องเรารู้เรื่องแป๊ดเดียวแล้วก็กลับมาลงมาแค่เดินขบวนลงข้างล่างนี่บางทีหลวงพ่อให้กันบ้านอะไรให้อาดองอะไรเนี่ยบางทีเราลืมเลย เุณหลวงพ่อทำไมแต่พูด่อมาเหมือนกับสายน้ำสายทานนะแต่เราไม่ทำคะหลวงพ่อเป็นด็อกเตอร์เราขอเป็นอนิบาลแล้วก็ขอการบ้านเป็นวันวันไปเนี่ยนะค ะ, ะแล้วก็อันนี้คือคือการปฏิบัติทั้งหมดค่ะหลวงพ่อออ้เรียนทุกคนที่ว่าก็ถามปัปว่าระหว่างความ ความม่วงของคามผุซัอันไหนแย่ยากไหนแง่ายความม่วงแก้ง่ายของตัวเองนะคะอ่ะแล้วก็ความคผุซันที่มันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราลุ้ยทิ้งแล้วก็ไปไป ก, ไกับมาณได้รอนานเนี่ยแก่แก่ยากแก่แกมาบอกเป็นระยะเลยว่าตัวที่เราไปเสพความสบายมันเป็นต้นเหตุของความม่วงต้นเหตุนที่ทายนยี่ถ้าหากว่าเราไม่ตามรู้ฟังไม่สบายให้ชัด มันจะออกิดตัวพุงสั้งกา ร, ารที่เราไม่ได้ตามรู้ตัวก็วววไม่สบายร่างกายเยนะี่ยมันจะออกมามปินตัวพุ่งัดจัดมันพุ่งสังเกตหว่าเวลาเราเอานุ่นเอาอะไรของเบาๆเนะี่ยไปตากแดดเวลาลงมาเปนะ็นไงมันจะปิวใช่ไหมแต่ที่จะถามว่าไอ้ตัวนุ่นมันชุม่มมันชื้นเนี่ยมันจะพุ่งไหม พอถูกแดดนานมันเริ่มแห้งไปจะพุ่งต่อ้นเพราะนั้นอาการที่ทำให้จิตมันพุ่งพุ่สั้นหรืออาการของร่างกายเนี่ยมันมีความไม่สบายแต่เราดึงเข้าไปตามมันเพราะนั้นการแฝงสั้นมันเข้าไปตามรู้ความพุ่งเขวนาห์ร่างกายให้ชัดๆแล้วมันแดพอความความพูงจะขึ้นเพราในจิตที่เรามาตามรู้ความพุ่งในทุกวนานีชัดมันจะไปใส่ตรนั้นเพราะนั้นในวันที่เนี่ย ร่างมันมีแค่สองรา ม, มีแค่3 3 า, าตัวนั่นคือตัวการไมส่สำคัญทำไมาจากที่ความเดิมติดความเสียความพอใจพยาบาทะเราไปเสียความผุกหยอกปเป็นตัวทัดใจแล้วการที่เราเสียทั้งสองอย่างไม่ไรู้มันหยกเป็นตัวมีทีหชาเพราะฉะนั้น3ามตัวหลังเนี่ยมันเป็นสองไปขยาย2ตัวแรก ของสองตัวแรกอ้ดีการที่เราไปเสกความสบายมันไม่ได้ตัวเกิด น, นันทินันทิคือไปเสยความสบายของจิตความสบายเราไปเสกปั๊บนกลายเป็นิรัดตัวนี้แหละจะนไปสูตัวง่วงความไม่สบายที่เราให้กำหนดรู้เราไปพูดเรื่องอื่นปั๊บมันจะก่อให้เกิดตัวบุทจกตัวฟุง เพระนั้นที่แก้คไปตามรู้ตัวสบายและไม่สบายตันตัวงวงและตัวฟุ้งแก้ไขได้ยวยวิธีการแล้วตัวนี้ที่สาวก็จไม่มีตัวหลวงพ่อจไม่มีประธารมนัยสองตัวนี้ชันะ้ น, รร น, นรรองตัวนี้พระพพธรรมจักรพระนาไปยแบบความอะไรคอยใจให้ปล่อยใจพะรความสบายส่วนอันเป็นสัญชาตญาณั้งเดิมของของมนุษย์ขุสัตว์ทุกคนเพระาะนั้นนี่ทีแก้ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ชั้นั้นตามแก้จาเนีย มันเป็นปลายแกยักษ์มากเพราะนั้นอาจารย์น้องเป็นคนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าไม่ค่อการรู้ทุกข์เกิดกัด เ, อ, เองเพราะยังก็เลยลืๆไปไม่ถัดในการทุกเลยนะนะอันนี้คือจุดอ่อนนะ อ, อ๋อไม่เลครหลพ่อสารภาพตัวเลยค่ะว่าไม่ถอ่อมตามที่หลวพ่อแนะนําค่ะก็อยากก็ถ้าถ้าหลวงพ่อตีประเด็นตัวนี้บอกว่าชัดเลยคือเราไม่รู้อะเรารู้แต่ว่าเราฟู แล้วเราก็เราเราไม่ยอมแกไไ้ไอ้ที่ที่หลวงพ่อบอกว่าให้เปลี่ยนทุกห้านาทีสี่นาทีเนี่ยมันยังมีความสึดว่ากมม็มันยังไม่จเจ็บมัน ย, ยังไม่ปวดจะปิดทําไมอะค่ะหลวงพ่อก็ก็ยังแล้วก็ยังมีความสิดว่าเราทนได้อยู่ขนาดนี้อันนี้ค่ะก็คงคงจะเป็นเหตุอย่างไม่เหมือนที่หลวงพ่อพูดนะที่หลวงพ่อพูด เ, เกิดแก้ยิ้มเลยค่ะว่ า, วามันใช่เลยคือเราไม่ทำถ้าอย่างนั้นที่ถูกต้องแน่ว่าคือ มันมันปวดปุ๊บมันเจ็บปุ๊บก็ให้เปลี่ยนเลยนะคะหล อ, อใช่เข้าไปดูก่อนว่าจิตจะไปเกี่ยวข้องตรงนั้นไหม ม, มันมันมีจิตเสื่อิตจิตไหมจิเริ่มเรื่มเริ่มไปไปรู้จักมันไดนะ้ย่งไรแต่ถ้าหากว่ามันปวดปั๊บเนี่ยในการที่เราสามารถทนได้เนี่ยมันก็เป็นตัวอดทนน ะ, ะทีนี้ดูให้ชัดว่าร่างกายที่ดทนได้เนี่ยเขาพอใจทจะทนไหม หรือว่าความอยากของเราเปา็นบังคับก็ตรงนั้นความอยากของเราเป็นบังคับเป็นบังคับกายแต่กายก็จะต้องเป็นไ ป, ไปตามกฎของอะไอันิจ้จำใช่ไหมอันนี้จำแล้วเขาผลได้เท่าไหร่แต่ทายจากนั้นมันจะเ ก, เกเิเป็นตัวทุกข์ของกายแล้วคือความไม่สบายกายแต่การระดับกันบนนะจะต้องอยู่ที่ว่าต่างกายเขาต้องการแค่ไหนก็แค่นั้นแต่การที่เอาความอยากของ ของจีไปบรรคับให้เขาได้ตามไม่ไม่ให้ปวดหรือให้ปวดแต่คนเราเนี่ยตรงนั้นเป็นเป็นทฤษฎีการของไตรรักษ์นะแล้วเกี่ยวกับตัวฟุงซ่าก็แต่กี้ก็คือว่าเราจะต้องให้มันคนจนถึงที่สุดของลิมิตของกายเท่าที่กายคนได้ไดและตัวเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมีอะไรเชื่อมระหว่างที่ว่ามานมันหลอกให้เราเปลี่ยน ออันนี้ไม่ใชอรอกว่ากายเนี่ยเราเรียกว่าขันธมารใช่ไหมระหว่างขันธมารกับกิเลสมารเนี่ยเขาทางานร่วมกันเพราะนั้นก็แรกนี่ร่างกายมันไม่สบายร่างกายมันปวดกขบอกจะต่อสู้ขันธมารที่ขันธมารเนี่ยเราไปที่ว่าเป็นร่างกายใช่ไหขันธมารขันทคือขันท่านี่เพราะนั้นในการพอรมานขันท่าเราไม่ได้หม่หมรูปตัวนี้นะ แต่เราเป็นธรรมานามารุที่ไม่เกิดในใจตัวนั้นตัวนามารุที่ปรากฏในใจเป็นขันธมานปรากฏแล้วแต่ถ้าเราไม่ทันมันปั๊บตัวคันธมานจะเป็นเป็นกิสมันคือพุ่งแกทันทีตรงนั้นเราไปค่อยใจขันธมานทีเราก็เลยร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นขันธแต่ความจริงร่างกายสังขารนี่เป็นเป็นธาตใช่ไหมมันไม่ใช่ขันสมัยใช้พูดโดยเสมอ่าตุขันธของผมอย่างนี้ธาตขันก็จ้าใาตคือรูป ขันคือนามเบญญาขันเพวัะนั้นรูปขันรูปในในในขันห้าเนี่ยหมายถึงรูปของขัหมายถึงองค์ของนามรประรูแต่คําว่าธาสีนี้เขามีชื่อขอแล้วคือธาตุธาสีที่น้าลงไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เราธาสิน้าลงไปมันไม่ได้เป็นมารแต่ว่าตัวนามาระรูปเป็นขันแต่ว่าอาศัยตัวธาตุี่แหละแปลตัวเปลี่ยนแปลงแล้ว เราไม่ทันรู้เราไปตามไปยึดเอาไว้รวมไม่สบายร่ากายนี่เป็นเรามันคือการที่ขัดทมาแต่ถ้าหากว่าที่มากําหนดรู้ท่าสี่แปลโบนแล้วต้องเกิดการปวดเมื่อยโดยที่เราไม่สําคัญว่ามันเป็นเราตัวนั้นขัดทมา ก, ก็ไม่เกิดมันก็จะเกิดเป็นผูท้ทำขึ้นมาเพราะได้รู้ขาวแปลโบนของทาสี่เป็นตัวรู้ขึ้นมาแต่เราไม่ทันตรงที่เข้าไปสําคัญว่าปวดเจ็บนี่เป็นของเราไม่ทันตรงนั้น มันก็ไปสั้งนมามรูปตัวนั้นเป็นมานคือนมามรูปเพราะฉะนั้นในรบวนการอิสวดว่ารูปนามให้ดีเลยมีแต่จะนมามรูปเพราะงั้นมันจึงเป็นมานไม่ได้ไปรพิจารณาไมให้ดียังไม่ต้องเชื่อนะ <c oughs> เอามาวิจัยเรื่งนี้มาได้เยอะมากวิจัยเรงนี้เลยเพราะฉะนั้นในจุดนี้อยุ่น้องออาไปทิจารดีนะอะไรเป็นขัดอะไรเป็นธาต เออาผ่านขันผมไม่ดีทำไมว่าผ่านคำเดียวได้ขันคำเดียวทำไมรดาเดียวใช่ไหมค่ะแลวก็เริ่มเริมหลวงพ่อหลวงพ่อซักไปซักมาเี่ยเริ่มเหมือเลยเร่มเหมือนค่ะและและเราจะอธิฐานตลอดว่าขอให้เราได้รู้ได้เห็นความจริงพอเมื่อวานเนี่ยค่ะหลวงพ่อนั่งน่ะประเดี๋ยวมันก็ร้อนประเดี๋ยวมันก็หนกมันก็เย็นประเดี๋ยวมันก็ปวดฉี่ประเดี๋ยวมันก็ นุน่นนี่นั่นตลอดเวลาเลยมันก็รู้สึกว่าอันนี้ละมั่คือความจริงของกายของใจของเราที่มันกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวล า, านี้เราเข้าใจถูกมั้ยครหลวงพ่อแต่ว่าเราไม่ใจไม่แปลปรนไปกับมันนะเข้าจแล้วนั่นตัวตัวแปลปนกลายเป็นตัวสติสมมติจะขึ้นมาเลยแต่ถ้าจติตของเราเปแปลปนกากบาการของขันนะมันก่ของธาตุนี่นะมันก่งกลายเป็นมาทันทีเออแล้แยกออกไหมไม่เดีขข๋ขอเราก็เอาใหช่ๆอีก ถ้าธาตุสี่นี้แปรรวนเราเข้าไปตามกฎ ร, รู้ว่ามันเป็นศัพว่าความจาเจ็บศัพท์ว่าความทุกขี่ไม่ใช่เราความแปรรูปของธาตุไม่ใช่เรแต่เราควรปรับแก้มันให้มันตัวการที่เข้าไปปรับแก้ความไม่สบายของธาตุนี้ในการเป็นตัวรู้ขึ้นมาเป็นที่ตั้งขเสิยงแยบยลนี้ดัะนั้นเวนาที่เปลี่ยนเป็นสติเพราะมีตัวตัวรู้เนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยน ตัวเวตนาก่อนที่มาเป็นแปรลคนที่จะแปลวินาให้เป็นสีมันต้องผ่านเิจาราถ้าไม่ผ่านวจารณาวินารณาทุตวิจารณาแล้วมันจะก็บแปลเป็นตัวรูปขันคือไอตัวนามรูปทันทีซึ่งตรงนี้อาจจะละเอียดขึ้นไปแต่ยังไม่ต้องรับรู้ตอนนี้แต่ว่ามันพูดความเป็นไปเป็นมารากรู้คิดได้ถึงมันมาตรงนี้แต่เราขาดความวิทัยยักษ์เห็นว่ามันเป็นเรื่องนึกเกินไปเรื่องเกินไปเกินจะเป็นไม่ใช่แต่พูดว่ารากรู้ของมันก็เอียด กมีรากใหญ่มันจะม่รับปล่อยใช่ไมไม่เกิดรากปล่อยรากต่ไม่ไม่เกิดแต่ให้รู้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ยังไม่ต้องเชื่อ่ามันเป็นแบบนี้แหละนะอามีเ่งติดมอ๋อค่ะก็ขอบพระคุณหลวงพ่อมากเพราะว่าค่อนข้างเป็นคนื้อแล้วก็พอหลวงพ่อพูดแต่ีมันใช่เลยค่ะคือว่าที่เราโฟมเพราะเราไม่ยอมแก้แก้เวทนาทางกายค่ะตอนี้ก็จะรายงานของการการอบมครั้งนี้นะคะที่ ที่บอกตั้แต่วันเริ่มต้นแล้วว่าประกายจุดประไาความคิดก็ตั้งแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าอ้างเดือนที่สิบเดือนของหลวงพ่อเทียนทําไมเราต้องไปเดินไปที่ขอนแก่นทาไมเราไม่ใช้สถานที่ของเราให้เป็นสถานที่ปฏิบัติหลักนะคะก็เลยมาพูดคุยกันในครอบครัวรวมทั้งถามคุณแดงแล้วก็ ค, คุณแม่ชีงน้องถ้าเขาอยากจะให้ให้จับเนาะ ก, ก็รวมกันแล้วก็ เราก็ได้จัดเพื่อที่จ ะ, ะเป็นปฏิบัติบูชาทดแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์นะคะของอในเดือนในเดือนกันยา ย, ยนซึ่งมีความหมายหลายนายัยยะที่มีความสาคัญนะคะกะ็งานที่จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ก็มีญาติธ ท, ทางที่เป็นกระยะนานมนิตนะคะ ได้ช่วยเหลือนะฮะได้ช่วยเหลืออย่างของคุณพี่ถัญญาเนี่ยก็รวมเป็นเจ้าภาพ อ, อาหารมื้อกั้งวนันแล้วก็1วนันแล้วก็เป็นเจ้าภาพป่านาคะ่ะของทุกๆวันนะค ะ, ะมีหลายๆคนคุณอนกรกสส็ส่งเงินมาช่วย ะ, ะ, ะเราสามารถรวบรวมเงินค่าอาหารทั้งหมดนะคะที่เป็นเจ้าภาพอาหารและก็สถานที่ได้ทั้งหมด 41,200 บาท ะะเงินบริจาคในงานของอาจารย์ยบูชาเนี่ยนะคะได้9 9้0กรบาทสองรายการที่รวมกันได้ 5,300 บาทา 1, บาทเรามีค่าใช้จ่ายในการทำคอสนี้ทั้งหมดนะคะส่มื่นกับแปบบาทนะคะก็เงินที่เป็นรายรับจาก เป็นเินในกล่องของอาจารย์แยบบูชาที่รวบรวเจ้าภาพอาหารในสถานที่รวมทั้งหมด 50,000 กับาบาทนี้นะคะเดือนนี้นะคะเป็น อ, อีกดึกอีกเงือ่อนไรอันนี้ก็คือวันที่3ามพยษยา ย, ยนเป็นวันส่วนของโยงนะคะก็ตั้งใจจะจัดคอสนี้โดยไม่คิดต้นทุนนะคะเงินที่ได้มาทั้งหมดในขอถวายของพ่อทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ คุณแดงได้ให้เงินวันเกิด อ, อีกห้ามบาทนะคะก็รวมเป็นทั้งหมดที่จะถวายหลวงพ่อในวันนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปทำบุญทกรถิ่นเป็นเงินที่ได้จากญาติโยมทั้งหมดนะคะห้าห0่นบาทบวกกระของอส่วนทันดาวร่วมถวายกระถิ่นหลวงพ่ออีกห้า0 0่นบาทเป็นเงิน เนึ่แสนกับสาร้อยบาทค่ะขอทุกท่านได้ร่วมอันนทนาพร้อมกันค่ะดี๋ยววัมานี่เเไหมมานี่าีอรบันเตหอเปล่ามองจ้าพนักถ้าเป็นเจ้าทั้งหลายวัดพร้อมกันถ้าเป็นเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายสิงาตาหารและาาปะาาิดใจี แก่พระคุณเจ้าเรื่องที่สุบุสุลเอให้ใคบ้างตัวที่ไปนะขอให้ท่าทั้งหลายเหล่านั้นตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรได้รับทราบเจตนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและวอนมโมทนาในบุญของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติพีทั้งหลา ย, าลายที่รมรับไปแล้วด้วยที่ยังมีชีวิตอยู่ด้ว ย, ย ม, ววมีมารดามีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นตลอดก า, าลาน า, านเทอสาธุ เต็มร้อยสี่โมงนี้ลออะพรอายการตรวจหน้าก็ตรวจน้าเยอะถาวาริวะค้าปุราปริปุเรนทีสารังผูวาน้ำที่เทียมย้อมอย่างสมุทรสะพรให้บริบุญได้สันย์ได้เอวะเมวะอิโตตินังเบตานางังอุปัตตะปชีออิชาปุชิทั้งปราถนาแล้วทั้งใจแล้ว อิปเมวะสนิชาดยตรงสำเร็จ้วยสักการสัพเพปุรเรนทุสังกาปาผอบำตรีทังปวงเก็ดกนที่จันโทปนารโสยต า, าเหมือนพระจันนวันเพนมณีโชติราโสยต า, าเหมือนแก้มณียันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิโยวิวัจจันตูปัณฑรไลทั้งควงของบางราไปสัพพโรโคินัสตูโรคทั้งปวงของท่านรงหายมาเทภวัดวันตราย อ, อันตรายอย่างีแก่ท่านสุธีจีพายุภปวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขเนืยอโยยืน อาภีวันาศีปิศาณิารุธาปัญโนยัตตาโรธรรมาวันติอายุวนโสุขังพลังออสีประการที่อายุวันนาสุขาภรัยมีบุคคลผู้มีปกติไหวกรับมีปกติ่อนน้ออผู้ใหญ่เปนนิวะรูสพมังารัง อสาภพาบุคลจงมีแต่ท่านราคะจูสาพาเดวะดาขอเลาเดวดาทั้งปวลจงรักษาท่านสาวพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาวพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาวพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ สาธาโสธีพะวันตุเตขอความสวัสดีขั้งหลับไอจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเราประกาศความปรีดิขัานหนึ่งอรหันสัมมาสัมพุทโธหะปะวา พุทธังพะวนตังอะภิวัติสวะขะตัวพะพวตาอะโมอะมังนะมาซาหิสุปฏิปันโนพตวกั าาที่บอกข่าวข้อต่ตอไ ป, เปนเดวเวมเอบอกกันว่าในข้อต่ตอไปนั้นก็ จ, จากวันนี้ก็ไปต่อที่ใกล้สงเย็นนะวันที่หนึงวันที่4ตุลาแต่ะะว่าจะมาเ่วยดิจิวันวัน่นทเที่จะเดินทางไปสองข้อถึงที่รุสิติอยูที่ปราสา ท, ทสองใคร ยัในเรื่องบอกเราพนะูดเต็มยนแล้วก็จากนั้นก็กลับมาเรื่องงานออกษาออกษาเสร็จ้ววันนี้พลาดวันที่ตุลาเป็นแต่ที่อำเภอแม่สอจังหวัดตาง น, นะเดินพิธิกาช่วงต้นติงแค่สิบรงกลางพิีกาตั้งแต่วันที่1ิาถึงวันที่ างใช่วันที่3 3่สาที่สี่สีสง่นอยู่ที่เขาอยู่ที่สวนโมกนะฮะหวัยสวนโมกในสี่สี่นี่สี่อย่ที่องอทียภูมินะแล้วจากนั้นก็ไปฟิลิกาฟิิปกาในช่วงนั้นดูหมือนที่เขาโมนะมีสามีแล้วประเดินธันวาก็จะกลับมาที่วัดดอยถึงวันที่เจ ก็ข้ามไปที่นอวาใครอยู่อเมริกาก็ไปตรวจที่นอวายสามเจ็แต่วันที่เจ็ดพันวาร์ไปขนไปใวันที่ส0บันวาร์เรายี่บถึงสามกิบหมที่ได้สิยติแล้วแล้วก็ต้นเดือนมกราปีใหม่ที่แอตตา้านหายสนุกเป็นที่หนึ่งวันที่วันที่ถึง20่นี่อยู่เวสต์าวน์ที่ดา 20-23 สิบก็อยูที่พุทธารสีแมมมี่นะฮโฮมสเตจแล้วก็ต้นกุพายที่กลับไทยหมดเวลาประมาณนองเดือมไปนะเพราะนั้นใครอใกล้ไหนก็ไปะะกกไไที่นั้นเลยมูรนาไปเวลาสิบเทานให้หลวงพ่อจะขอการปรึกษาหลวงพ่อว่าพวกเราจะขอคมาหลวงพ่ อ, อตอนนี้เลยดีไหมคะจะยังพอมวเวลาอยู่เพราะตอนนี้แต่ สิบเอ็มงกระสีนาทีค่ะ <Okay. S 1> ได้ขอขมาหลวงพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ว่าจะให้หุกงพ่อให้กลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> ไม่ต้องวันเดียวจบเลยว <c oughs> ันเด <c oughs> ีเลยโค่ะโม่เช้าเป็นไงค่ะขอขอตัวแทนคือพี่พิเชีย น, นะคะ <c oughs> ขอขมาหลวงพ่อหลายอยา่างตั้งแต่วันแรกที่เราทำพิธีมุติญาจิตก็เหมือ น, นจะวางเริ่มหลวงพ่อ <c oughs> ะะก็รู้สึกเอออันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่นุ่มนวลแล้วก็ไม่รอบกรอบนะคะเร า, เาคุณแดงก็ อ, อยากจะให้ให้ หลวเทียนไ้จุดให้หลวงพ่อมาจุดต่อให้กับพวกเราโดยอาศัยแนวคิดนี้นะคะก็เลยออกมาในรูปของเทียนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าความร้อนมันจะอบอุ่นกหลวงพ้อมาขนาดไหนก็มาเห็นแล้วก็เดินมาหลวงพ่บอกว่าจะให้เรงพ่นทางตรงไหนเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าอ๋อเราไม่รอบครอบอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะได้น้อมขอคำมาหลวงพ่อพร้ อ, ขอมกันกับความรู้ท่าไม่ถึงการของเราด้วยนะคะ เราจะตั้ง้าโมพร้อมกางสามจบนะคะพอเร า, ากราวคาขอขอมาเสร็จเรียบร้อยพี่พิเชียนจะเป็นผู้มอบทานขอ ข, อขอมาเทวาาหลวงพ่อนะคะขอพี่พิเชียนพี่พิเชียนจะไปเทวดาหลวงพ่อขอให้เราเหมาะสานะคะจนงว่าหลวงพ่อจะได้ให้พรจบนะคะตั้งลมาดลโมพร้อมกั นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหั ช่วยทั้งหลายที่พวกเราได้ประมาร่วมเกินหลวงพ่อด้วยการกระทำด้วยคำพูดหรือทางใจจะได้ตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและหลักฐาทั้งที่ ละลึกได้และจำไม่ได้ตั้งแต่อดีตชาติตตตาตจนถึงปัจจุบันวันนี้พวกเราทั้งรา ย, รารายน้องปราบขอขมาขอหลวงพ่ อ, อ, พอได้กรุณาอภัยศีกรน บ, นบให้กับพวกเราด้วย ปุสวัสดิกโกภราวด a กโก a ันนวัติกโสุขวัตโกโมทุสวาทราชุกโรกายะเวรสุขาสตุปตวะอเนกาตรียปิสบุตสะสยิินลาโสปพยสุารสอตวโนจมุทสวสตวสาราชีวิธิปันุเต ขอคุณแม่พังงวยนะคะซึ่งเป็นต้นทุนใหญ่นะคะให้เราได้มีสวนพันดาวให้เราได้มีธรรมาศารามีพังมวยให้หารนะคะได้เป็นผู้เต่าน้องถวายปัจจัยทั้งหมด0 0 0นแสนแบบเด็กที่บอก300ตอนนี้เด็กที่น้องแดงวิ่งมาเติมนะคะเป็นหน่งแสนกับห้าบาทค่ะขอคุณแม่พังงวยได้มาถวายให้หลวงพ่อค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการอ่านนะคะกัพ่อซึ่งได้ร่วม ก, กันกับน้องตัวเล็กแล้ปรากฏว่าทำคนที่ทําเขาขอให้ออกตัวอย่างมาให้หนูแทนก่อนแล้วปรากฏว่าเขาเห็นว่าเราอยากได้เร็วเขาก็เลยทําเลยปรากฏว่าตัวหนังสือมันเล็กมากนะคะดยหนังสือมันเล็กมากก็ให้หลวงพ่อพิจารณานะคะแล้วก็อันนี้เป็นรายชื่อที่น้องตัวเล็กทามา เป็นรายชื่อรายละเอียดของพวกเราทั้งหมดนะคะที่เที่จิตทีมงานจะได้เอาไปใช้ทั้งหมดเผอประสานงาน ต, ต่างๆนะคะอันนี้ของพี่โอ์พี่โองค่งะรตั้งใจว่าทำห า, าปรึกสากันทำห้าร้อยใบเพื่อหลวงพ่อจะได้เอาไปแจกในงานประทิงทีนี้ถ้าหลวงพ่อเห็นว่ า, ามันใช้ได้นะคะ เราก็จะปัดใหม่ให้มันตัวใหญ่ขึ้นให้หลวงพ่อไปพิจารณาก่อนนะคะว่าสมควรไหมยังไงคะ่ะอันนี้อ่านยากค่ะหลวงพอ่อไม่รู้คือทำไปแล้วก็ไม่รู้ทำไมเนาะแต่ว่าถ้าหลวงพ่อเห็นว่าตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์และอยากจะอ่าน่าจะทําให้มันดีเลยให้ตัวใหญ่แบบนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็ค่ อ, อ, อยอภิบายหลวงพ่อก่อนก่อนกระถิ่เพื่อที่จะได้อะไรานี้กระทิ่นได้ อ๋อวันนี้เรามีการรวมป็น ส, น ภ, ị, น, น, สนภาพจะมีคุณที่คุณที่คือแบบอ่าในสีภาพจะทำงานจะดีไหมที่จะทไปอนีัือูแล้วนวัตกรรมารยรแต้นที่แตกแตแต่ถ้าทำก็ทถาไม่ทเพราะว่าต้นสบาพนอมข่อโยงมนมาีะ่ีอ๋อคุณทีเราเอาสีภาพไี้คนสาอที่หลังเนานะ ก็ขอมโนานรมสาธุในความตั้งใจของลูน้องที่มีเจตนาดีก็สิ่งไหนครับแล้วก็ถือว่าดีแต่ว่าเทเล็กใหญ่แล้วแต่คนที่เราไปพ่จตรนาใช้ในหมอดสูงในการขอเข้ามาและโทษต่างๆก็เป็นอิยาประเภทนีที่เราที่ยังเป็นบุรษุนที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูลณีย่มีความ บุกข้องผีดพาคจนไม่รู้ตัวด้วยเตนาไม่เจตนาแต่ก็ผิดเกราเพราะนั้นด้วกันมาทาอาสาลีกกรรมแล้วก็ขโหสิกรรมแล้ว ก, รรก็กรรกกรรถือว่าโทษบาปนั้นก็จะลดลงตามสวนที่เจตนาก็ขอให้การทำกรรมนี่ขอโทษเขไปนั้นจงเป็นส่วนที่ทให้เรานาเอาคำที่มาได้กล่าวแนะนำขหมด เราอกไปพิจารณาใช้ปฏิบัติตามดูทุกท้ายกรรนั้นก็จะพุนไปโดยปริยายก็คออนบรมทนาในที่ไั้ดีกรนีโดยสายผู้ถึงวอน